อ่าพระอาจารย์มาแล้วขออนุ ญ, ญาตนิมนต์พระอาจารย์ขึ้นทางหน้าจอนะครับพระอาจารย์ครับกล่าวอำมาศการครับอาจารย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สอง้อยห้าสิบเก้าแล้วนะครับพระอาจารย์ครับอีกครั้งเดียวครบห้าปีแล้วครบห้าปีแล้วครับพระอาจารย์สามวันหกสิบนะสามวันหกสิบครับเมื่อวาน วันก่อนสองสามวันที่แล้วครับอาจารย์ครับพี่บอยเขาถ่ายทอดอ่ธรรมะบนเขาเมื่อเก้าปีก่อนครับอาจารย์ปรากฏว่าผมอยู่วันนั้นครับรอาจารย์เห็นไม่ฟังปรเดี๋ยใช่ครับเมื่อเก้าปีก่อนครับอาจารย์ครับตรงวันพอดีครับอาจารย์เมื่อเช้าคนไปใส่บาดรเยอะไหมครับวัน น, นี้ไม่ถึงสี่ร้อยวันสามร้อยแปดสิบสองคน ครับผมเราฟังธรรมตอนบ่ายเยอะไหมครับก็ประมาณเกือบสองร้อยคนไนะกับสองร้อยคนเนี่ยไม่ได้จดจำยอดยอดประมาณแปดร้อยครับผม <anden. S 1> ก็เหมือเป็นปกติของทุกทุกวันอ <começar> าทิตย์ครับตอนนี้พวกเราฟังกันอยู่ที่นี่ประมาณเก้าร้อยคนนะครับพอาจารย์ครับอือหัวข้อจะดีบางคนอย่ากจะรู้ว่านะ ับกตอนตายต้องรู้อะไรบ้างพอดีพอดีผมพยายามเขียนหนังสือเล่มหนึ่งครับ อ, อาจารย์กับเขียนเขียนไปพอสมควรสองร้อยกว่าหน้านะครับอ่าผมเขียนเรื่องก่อนจะป่วยครับทีนี้ก็ก็เป็นการเพื่อไว้ป้องกันไม่ให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้ผมมานั่งนึกดูว่าเอรถผมก็กันได้แต่ร่างกายครับแต่เรื่องของจิตใจเนี่ยก็ต้องพึ่งพาพระอาจารย์อยู่ดีก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้มี บทสุดท้ายเนี่ยถ้าพระก่อนจะตายต้องรู้อะไรเนี่ยก็เลยกลับเรียนถามจากพระอาจารย์ดีกว่าครับเพื่อจะเป็นข้อมูลเนี่ยไปเขียนเป็นภาคปิดของหนังสือครับพระอาจารย์ครับกลับขอปัญญาพระอาจารย์ครับคือปัญหาคือเราไม่รู้ว่าอรเราจะตายนะฉันคําว่าก่อนจะตายเนี่ยมันหมายถึงเวลาไหนถ้าตามหลักศาสนาเราก็ต้องถือว่าวันนี้แหละตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เป็นวันที่ก่อนเราจะตาย เพราะว่าเราไม่รู้ว่าพร่งนี้เราอาจจะตายก็ได้ดังนั้นเราต้องคิดถือว่าวันนี้อาจจะเป็นวันก่อนที่เราจะตายก็ได้เพื่อที่เราจะได้มีเวลาที่จะได้ศึกษาความจริงและทำอะไรสิ่งในสิ่งที่เราควรจะทาเพราะถ้าเรามาทำแบบตอนที่เราใกล้จะตายตอนที่หมอถอนเครื่องหาเครื่องรมหายใจออกจาก จะโมโหแลมันตอนนั้นมันสายเกินไปแล้วทําไม่ทันเพรฉะนั้นพระอาจารถึงเตือนให้พราเราให้คิดว่าเราอาจจะตายในทุกเวลานาทีจึงไม่ควประมาทให้รีบศึกษาค้นหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตของเราว่าอะไรจะเกิดขึ้นเวลาที่เราตายไปแล้วความจริงชีวิตเรามีสองส่วนได้กันคือ ม, มีร่างกายและมีจิตใจ ร่างกายเนี่ยที่เป็นผู้ที่จะตายร่างกายประกอบมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งม่ามีการประกอบรวมตัวกันก็จะต้องมีการแยกกันในวันใดวันหนึ่งวันที่ธาตุสีแยกตัวกันก็ถือว่าเป็นวันตายวันสิ้นสุดของร่างกายแต่ใจที่มาครอบครองร่างกายใจที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการทำมาทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจยังอยู่ต่อแต่จะอยู่ในในในรูปแบบของดวงวิญญาณคือแบบไม่มีไม่มีร่างกายซึ่งเราเรียกว่าผีครทีนี้ดวงวิญญาณนี้ก็มีทิศทางไปได้สองสงสามทิศทางด้วยกันขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราได้ทํากันไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราทําบาปมากกว่า บ, บุญ นวิวนญาณเราก็จะถูกบางนี้เน้นใม้ไปอยู่ในทุกขติคือพบที่มีแต่ความทุกมากกว่าความสุขคืออบายทั้งสี่ใกการาราชาเปรต ส, สุนทรกายละนรรในทางตรงกข้ามถ้าเราทําบุญไม่มากกทําทบาปบุญก็จะเน้นใจเราให้ไปเกิดในสุ ข, ขติสุ ข, ขติก็คือพบที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์ เปสวรร์ชั้น ต, ต่างๆสวรรคชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรมขึ้นอยู่กับบุญแต่ละชน้นที่เราได้ทาไว้อ่นี่ทางเลือกที่สองแต่ไม่ว่าทาัทาง้งสองทางนี้เมื่อเราไปรับผลบุญผลบาป้วเมื่อบุญเมื่อบาปนั้นหมดไปไม่สามารถเดินให้เราอยู่ในทุกขติหรือยู่ในสุ ก, กติได้เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปแล้วก็กลับมาทําบุญทําบาปตามนิสัยเดิมของเราตอ่อ เราเคยชอบทำบุญแล้วก็จะกลับมาทำบุญชอบทำบาปล้วก็กลับมาทำบาปก็จะทำอย่างนี้ไปแล้วพอตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปใหม่อีกรอบห น, นึ่งที่เราเรียกว่าเงวยาไหตายเกิดลายจากภพนี้เราก็ไปรับผลบุญผลบาปพอกลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาทำบุญทาบาปใหม่แล้วพอตายไปเราก็กลับไปรับผลบุญผลบาปใหม่ ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเม็นกว่าเราจะนั่นมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์พระอสิยศสอนวิธีการยุติการเวียนว่ายตายเกิดทาน่ยสอนให้เรานอกจากทาบุญทาทานนับสาศีนเพื่อที่ให้เราไปสุคติแล้วก็ให้เราภาวนา ชำระสักพักจิตใจให้สะอาดกำจัดความโลภความโกรธความหลงตัวที่พาให้เรามามียว่ายตายเกิดกันถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนได้ชําระความโลภความโกรธความหล ง, ลงให้หมดสิ้นไอยากใจไนดะ้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจก็จะไปอยู่ที่นิพพานพระนิพพาน อันนี้ก็มีสามทางเลือกที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปในขณะนี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีเวลาที่จะเลือกว่าเราอยากจะไปทิศทางไหนได้อยู่จะไปทุกขติก็ได้ไปสุขเตก็ได้ไปนิพพานก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนจะตายเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเรามีทางเลือกเราจะไดไ้เลือกถูก วาเราจะควรจะไปทาไหนดีทางดีๆเลยก็คือที่ผ่านเพราะว่าไม่ต้องกลับมาเรียนไหว้าตายเกิดอีกต่อไปเพราะการเรียนไหว้าตายเกิดไม่จะเกิดในสุคติมันก็ยังต้องเจอกความทุกข์ที่เกิดกับร่างกายทุกครั้งที่มาเกิดร่างกายก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหน้าบุญขนาดไหนใหญ่โตขนาดไหนก็จะต้องเจอความแก่ความเจ็บความตาย เหมือนกันดนั้นทําที่ดีสุดก็คืออย่า ก, กลับมาเกิดดีกว่าจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องชําระสราพจิตใจด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาะส ม, มถ า, าภาวนาะวิปัสนาภาวนาคือการเจริญสมาธิและเจริญปัญญาตามลำดับเพื่อกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ท, ที่มีในใจให้หมดสิ้นไป ถ้าสามารถทําได้สําเร็จก็เป็นพระอรหันต์ตัศโกก็ก็จะเข้าสู่วันนิพพานไปชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปถ้าทําไม่สําเร็จก็จะกลับมาเกิดขึ้นอยู่บว่าอยู่ติดอยู่ขั้นไหนถ้าขัานาา้นพระโสฬาบันปาฏิยบุกโกชขั้นแรกก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ชาติเป็นอย่างมาก ขั้นที่สองก really so ็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกชาติเดียวคือขั้นว่าสกิรานคาเมถ้าได้ขั้นที่สามบ้านราคาเมก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแต่ยต้องไปเกิดอยู่บุนสวรรค์ชั้นพรหมถ้าได้ขั้นที่สี่พระเป็นพระแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดในตายพระบุญต่อไปไม่เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นพรหมแต่จะไปอยู่ในนิพพานนิเกิด สิ่งที่กเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วซึ่งถ้าเราไม่รู้ไม่เชื่อมันก็ต้องอาศัยคนที่รู้ที่เห็นมาบอกเราแล้วเชื่อคนที่รู้ที่เห็นก็มีพระพุทธเจ้ากับพระเนี่ยสงเสาที่รู้ที่เห็นนั้นยืนยันว่าเป็นของเป็นความจริงเราตายไปร่างกายตายไปนี่เป็นความตายเพียงครึ่งเดียวของชีวิตเรา ในเครื่องเงที่เป็นส่วนสําคัญไม่ได้ตายกับร่างกายอันนี้เป็ผู้ที่เรามารับผลบุญผลบาปตามกฎแห่งกรรมที่เราได้เท่ากันไว้อยู่แล้วนะรา่างกายเป็นของของตนจะทํากรรมกันได้ไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นทายาทเป็นผู้เป็นรับผลของกรรมนั้นคําว่าเรานี้ก็คือจิตใจนั่นเองนีญญ่ ครับครัคุณพระอาจารย์ครับงั้นก็สรุปว่าเราต้องรู้ว่ามันไม่จบใช่ไหมครับร่างกายตายแต่ไปต้องไปต่ออย่างนั้นใช่ไหมครับใช่มันไม่สวยนะที่ว่าบางคนที่ว่ า, วาเราเปนชีวิตเราไม่แค่ร่างกายร่างกายตายไปเราก็จบเราก็หายไปไปไ ป, ไปกับร่างกายแต่เราไม่หายไปเราอยู่ที่ใจเราผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้รู้ผู้คิดด้ยใจนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกาย ซึ่งวันก่อนคุยกับแพทย์คนหนึ่งเาตกใจว่าจริงแล้วที่ว่าจิตใจนี้ไม่ได้อยู่กัในร่างกายอยู่ในโอกทิพย์เขาคิดว่าอยู่ในร่างกายอยู่ในสมองครับผมเคยผ่าสมองแล้วไม่เจอเราครับอาจารย์ตัดส่วนนู้นไม่เจอัอาการสามีสาวน้องคว้าเข้ามาดูแล้วถางไม่มีตัวเราอย่ไม่มี ไม่เจอครับอาจารย์หัวใจของใครก็เหมือนกันทุกคนใช่ไหมสมองของใครก็เหมือนกันทุกคนเลยครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างที่พระอาจารย์สอนนะครับเพราะว่าผมก็เข้าไปในสมองคนเข้าไปดูเข้าไปจี้ไปผ่าไปตัดออกก็ไม่ไม่เห็นนะครับว่ามีเล่าอยู่ในนั้นครับครับผมอย่างนั้นผมขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนเบ้างนะครับอาจารย์ครับ จากคุณภาชลวัตรครับบอกว่าก่อนจะตายต้องรู้เรื่องกรรมดีหรือชั่วที่เจ้าของได้ทํามาจนถึงวินาทีสุดท้ายด้วยแนวทางใดครับรู้กับองค์หลพ่อเมตตาใปัญญาครับเราไม่ต้องไปจดจําแล้วเพราะว่ากฎแห่งกรรมนเขาจดจำไว้ให้ของเราอัตโนมัติพอถึงเวลาบุญระบาด ท, ที่เราได้ทําไว้เน้นจะเป็นผู้ออกมาจัดการคำดูวิญญาณของเราเป็นเหมือนกับเงินที่เราฝากไว้ในธนาคาร นำมัเอาไปเช็คเนาะธนาคารเขารู้ยอดตลอดเวลาว่าตอนนีน้ยอดยอดนี้กับยอดเงินฝากของเราเท่าไหร่แถ้าพอเวลาที่เราจะปิดบัญชีเขาก็จะมาหางลุกการระว่างนี่กับเงินฝากถ้าเงินฝากมากกว่า น, นี้ก็เราก็ได้เงินคืนถ้านี้มากกว่าเงินฝากเราก็ต้องทำเ ง, งินมาเอาเประนี่เขาถึงจเป็นบัญชีให้กับเราได้อันนี้ก็เหมือนกันในในใจเรานี้จะมีธนาคารบุญ ธนาคารบุญหรืาบาปอยู่ในใจของเราแล้วธนาคารบุญธนาคารบาปนี้ยังเป็นผู้จัดการยงวิญญาณของเราเวลาที่เราตายไปซึ่งส่วนหนึ่งเราจะสามารถสอบถามดูได้ว่ายอดของเรานี่เป็นเป็นบวกหรือเป็นลบได้จากการที่เรามีความฝันเนี่ยถ้าเรานอนหลับฝันดีนี่แสดงว่ายอดบุญของเรามากกว่ายอดบาปเพราะบุญนี่จะทาให้เราฝันดี มันก็ได้ไปอยู่ในท่องเที่ยวในสวรรค์นแต่ถ้าเราฝันว่านี่ยมันแสดงว่ายอดชงบาปที่มากกว่าบุญบาปก็จะเป็นผู้สร้างความฝันไม่ดีให้กองเราอันนี้เพราะว่าเวลาที่เรานอนหลับก็เหมือนเราตายชั่วคราวตอนนี้เรานอนหลับร่างกายก็เหมือนคนตายมันได้ทําอะไรลงวิญญาณด้วยใจในต้องอาศัยกําลังของบุญหรือ บ, บาป ท, ที่มีในใจนี้เป็นผู้สร้าง เหตุการณ์ต่างๆมาให้ไม่เสพได้สัมผัสเพราใจนี้อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีอะไรมาเสพอยู่เรื่อยๆต้องมีอะไรมาเสพถึงยอยู่อย่างมีความสุขได้ต้องมีบุญและมีบาปบุญก็เป็นเรื่องราวที่ดีความฝันที่ดีพเห็นแต่สิ่งที่ดีได้ยินแต่สิ่งที่ดีสบายจังรูปเสียงกินรสที่ดีต่างๆแต่ถ้าบาปก็ไปสับัยกับรูปเสียงกินรสที่ ไม่ดีที่นี่ที่ททนากลัวที่หวาดเสียวที่ทีสร้างความทุกข์ทรมารให้กับใจเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างที่เราจะสามารถอรู้ได้ว่าตอนนี้สถานทัศน์บุญกับบาปของเราอันไหนจะมากกว่ากันถ้าเราฝันร้ายบ่อยอเราฝันดีนเราทนาว่าบาปลางนี้ยังมีมากกว่าตอนนี้เรายังแก้บัญชีได้อยู่แต่อย่าไปแก้ตอนวาระสุดท้ายตอนที่จิตสุดท้ายนี้นแก้ไม่ได้ เพรยงพ่คิดอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีการกระทำเยอยมันต้องมีการกระทําบุญต้องเซ็นเช็คหรืบอบริจาคเงินให้กับวัดหรือกับองค์กรที่เรามศรัทธาเราถึงจะปรับบัญชีบุญให้มากขึ้นกับบัญชีบาปได้แต่ถ้าจะมาลอมาลาสุดท้ายตอนนี้จะตายนี่บุญมั น, ม, น, ม, นมันทําอะไรไม่ได้นะปรับปรับชิตอย่างเดียวไม่พอมันต้องปรับ การกระทําด้วยจิตคิดจะทําบุญแต่ไม่ได้ทําบุญเรื่งบุญก็ยังไม่เกิดถ้าเราเจ็บป่วยเราอยากทําใจให้สบายแต่ว่ามันยากครับอาจารย์ครับเพราะเราไม่เคยฝึกมาก่อนนันเองเหมือนคนที่ไม่เควิ่งมาราธอนนะถ้าคนเคยวิ่งมาราธอนนู่นนี้เขาวิ่งได้อย่างสบายแต่คนที่ไม่เคยวิ่งมาราธอนนี่ให้วิ่งแค่กีโดเดียวก็หอบนะเพราะไม่ได้ฝึกแบบเดียวกัน การทำใจให้เนิ่งให้สงบให้ไม่วุ่นวายกับเหตุการณ์ของร่างกายนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนระบบการเจริญสติการนั่งสมาธิให้จิตสามารถเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆให้ได้ถ้าเข้าสู่ฌานขั้นที่สี่ได้ก็ถือว่าเราวิ่งมาราธอนได้นะให้ไม่เราเกิดอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนี้เราปล่อยวางได้ ชาติหน้าเราจะได้เกิดเป็นลูกของพ่อแม่ในชาตินี้อีกไหมครับอันนี้แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยซึ่งไม่มีใครสามารถไปกําหนดรู้ได้เหมือนกับวันนี้คุณหมอไปจอดรถอยู่ที่สี่แยกไฟแดงพรุ่งนี้ไปที่จอดที่เดิมจะได้พบกับรถที่จอดข้างๆคุณหมอหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่นี่ยอาจจะเจอก็ได้อาจจะไม่เจอก็ได้แต่อากาศที่จะเจอนี่มันยากกว่ามากกว่าจอากาศที่จะเจอ คนตายไม่มีความอยากแล้วคุณย่าฝึกอยากให้น้อยเข้าไว้คืออยากเท่าที่จำเป็นต่อการทรงสังขารนะครับอาจารย์คนตายนี่ยังมีความอยากอยู่ใจไม่ได้ตายกว่าร่างกายความอยากไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความอยากที่อยู่ที่ใจยังมีมีเหมือนกับตอนที่ยังไม่ตายถ้าอยากจะให้ลดก็ต้องดตอนที่เรายังไม่ตายไปอยู่จังสินถือสินแนี้ก็จะช่วยลดความอยากได้เยอะนั่งสมาธิ พ้อชานได้ก็จะลดความอยากได้เยอะพิจารณาด้วยปัญญาเห็นโทษของความอยากยิ่งอยากกำจัดความอยากให้หมดสิ้นไปอยากใจได้มีวิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้ความอยากลดน้อยถอยลงไปไม่ใช่รอให้ตายแล้วความอยากมันจะลดตามไปตามตามไปกับความตายของร่างกายความอยากไม่ลดตามไปมันยังมีอยู่เท่าเดิมและมากกว่านั่นแต่ว่าตานใจนะที่มนชีวิตอยู่เติมมันแล้วตัดมัน ถ้าเติมมันด้วยการทำตามความอย่างมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไป่รื่อยๆถ้าตัดมันมันก็จะเป็นลดน้อยถอยงลงไปเรื่อยฝึกนั่งสมาธิมาเป็นปีแล้วครับแต่ว่าไม่เคยสงบเลยต้องทำอย่างไรครับเพราะเราเราเร า, เราสร้างเหตุที่ทำให้ใจสงบมันน้อยเหตุที่ทําให้ใจสงบก็คือสตินสติทาให้กาลังน้อยเวลานั่งเราก็ไม่สามารถควบคุมความคิด ให้ยดความคิดได้เราต้องฝึกสติให้มากกว่านี้วิธีจะฝึกสติให้มากกว่านี้แล้วก็ต้องทําในระหว่างวันนี่แหละเพา่อจะเติมขึ้นมาเราสามารถฝึกสติได้ทั้งวันเลยเช่นพอเราเลื่อนน้ำตาขึ้นมาเราก็บริกรรมพุโทโธพุทโธคอยสกัดกั้นความคิดปกติพเราเติขึ้นามาปั๊บเราปล่อย ใ, ให้ความคิดคิดไปเลยไม่วันนี้วันอะไรเนี่ยเราไปทำอะไรทํา อ, อะไรคิดยุ่นคิดนี่ไปทั้งวัน ามาสกัดความคิดเหล่านี้ใ้ยการบริการพุทโธไปถ้าเราสกัดความคิดได้เราก็จะมีสติมากขึ้นเพราะสติคือผู้หยุดความคิดนี่ถ้าเราสามารถสกัดความคิดให้น้อยลงได้ก็แสดงว่าสติเรามีมากขึ้นแล้วพอเวลาเรามานั่งสมาธินั่งหลับตาความคิดมันก็ไ ม, ม่มันก็จะมีไม่มากแล้วเรามีสติมากเราก็จะสามารถหยุดมันได้เข้าสมาธิได้เข้าสู่ความสงบได้ สวดมนต์ไม่ออกเสียงจะได้บุญไหมครับคือการสวดมนต์นี่ก็เป็นการเจริญสติอย่างนึง่ออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็อยู่ที่การว่าเราเรามีสติอยู่การสวดหรือเปล่าบุญอยู่ที่การที่เรามีสติอยู่การสวดหรือเปล่าสวนแล้วใจลอยไปนี่คิดถึงเรื่องนั้นเ่งนี้ก็แสดงว่าไม่ไม่มีสติอย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลจะเรียกว่าไม่ได้บุญก็ได้ สวนแล้าต้องอยู่กับการสวดอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้อันนี้ะ ถ, ถึงจะได้ประโยชน์ได้บุญจะออกเสียงก็ได้ไม่ออกเสียงก็ได้แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติที่มักจะนิยมไม่ออกเสียงมากกว่าพ้อนจะได้ไม่ต้องใช้ใช้จิตมาทํางานบังคับให้ออกเสียงทางร่างกายเราต้องการที่จะถอนจิตออกจากร่างกาย ถ้าเรายัางใช้เสียงอยู่แล้วก็จิตก็ยังเต่นอยู่กัร่างกายอยู่ถ้าเร า, าจะให้จิตเข้าสู่ความสมงบนี่าต้องหยุดเราต้องสวดแบบไม่ออกเสียงสวดแบบภายในใจยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวต้องบริกรรมด้วยไหมครับทั้งวันผมจะรู้สึกตัวดีหรือพุโทโธดีครับถ้ารู้สึกตัวแบบไม่คิดก็ไม่ต้องบริกรรม ใ้รู้สึกตัวแล้ ว, ลวยังไปคิดถึงคนนั้นกน น, นนี้นั้งนันี้อยูนน่ก็ใช้ไม่ได้ให้รู้สึกตัวให้รู้เฉยๆสัจธรรมรู้กำลังยืนก็ูว่ายืนแต่ไม่มีความคิดเกี่ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรู้เฉยๆแต่ถ้ายืนยืนรู้สึกก็รู้ยืนแต่ขนาดยังกำลังคิดเ ร, เรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วต้องไม่มีความคิดเลย ถ้ามีความคิดบางทีก็ต้องใช้กรรมวิกรรมพุโทโธมาสกัดความคิดเพราะว่าสติเรายังไม่มีกำลังพอที่จะรู้เฉยๆได้การที่เราถวายของให้สารพระภูมิแล้วไม่ได้จุดธูปแต่ยกมือไหว้ถวายท่านอย่างนี้ได้เหมือนกันไหมครับมันเป็นเรื่องพิธีกรรมมันเป็นการเล่นดิเกะไม่มีประโยชน์อะไรอย่างไรคุณจะกราบจะจุดธูปไม่จุดธูปอะไรนี้ไม่มีประโยชน์เลย ทำแล้วทาหน้าจิตใจไม่ได้บุญได้กุศลแตอย่างใดเป็นการเล่นลิงหลอกเจ้าซื้ยมากกว่านั่งสมาธิแล้วตัวสั่นแรงมากครับกำหนดลมไม่ได้แต่คิดว่าไม่ใช่ปิติเพราะใจไม่ได้สงบเลยอย่างนี้เกิดจากอาการอะไรครับและแก้อย่างไรครับไม่มีสติไงพอให้เจิตปลูกแตงขึ้นมาอาการฟุ้งซ่านเอามาทางการ สั่นของร่างกายต้องใช้คำบาลีคำพูดโทสกัดมันเวลา น, น, น, น, นั่งสมาธิอย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวบางทีจิตเป็นแบบผีเข้าเดี๋ยวก็คิดว่ามีผีมีผีมาสิงมีมีร่างเพืนั่งนี้เข้าส่งอะไรพวกนี้ก็แบบนี้นั่งสมาธิแบบไม่มีสติไวให้จิตจินตนาการไปเพิ่ไปตามความรู้สึกนคิดแล้วกเกิดมีอาการสั่นขึ้นมามีอาการอะไรต่างๆขึ้นมา ลักษณะของการเข้าทรงจะไม่มีเจ้าเข้ามาทรงมามนเรื่องของจิตปรุงแต่งเ <Okay. S 1> พราะไม่มีสติคอยคอควบคุมศีลแปดนอนพื้นหนุนหมอนเตี้ยได้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจว่าเป็นกระดูกต้นคอเสื่อมครับได้หมอนไม่ได้ห้ามแต่ยว่าไม่ให้นอนฟูนานๆเพราะมันสบายเกินไปมันจะนอนมากเกินไปเท่านั้นต้องการให้นอนน้อยที่สุดเท่าที่ ถ้าที่จะทาได้คือเท่าที่ต้องการต้องการถ้าร่างกายเหนื่อยมากๆนอนในพื้นแข็งๆก็หลับได้แต่พอได้พักก่อนพอพอตื่นขึ้นมาแล้วมันจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่าไม่สบายแต่ถ้านอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆหลังจากที่ร่างกายได้พักก่อนพอเพลินแล้วพอตื่นขึ้นมาใจยังไม่อยากจะลุกใจยัติมกับความสุขของฟูกนอนบนฟูกนิ่มๆก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมง ทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติไปเราจะซ้อมตายก่อนอย่างไรดีครับก็มีหลายวิธีเมื่อต้นก็คิดบ่อยๆก่อนคิดว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตายเป็นธรรมดาคิดไปเรื่อยๆไม่ให้เลงขั้นที่สองก็ลองไปอยู่แบบคนตายไปอยู่ป่าชา้าไ้นั่งสมาธิอยู่ในป่าชา้าอยู่กับคนตายเลยว่า ต่อไปเราก็จะต้องมาเข้าป่าชาหรือไปที่เมรุก็ได้นะครับไปพิจารณาความตายหรือไปเยี่ยมป่าชากันจะได้เห็นของจริงหรือบางทีถ้ามีการงานล้างป่าชาก็ไปช่วยล้างป่าชากันก็ได้เราจะได้เห็นความตายว่าต่อไปร่างกายเราก็จะต้องเป็นเหมือนกับร่างกายของสมรนี้ เพิ่งจะสูญเสียคุณแม่ไปครับยังทำใจไม่ได้ครับอาจารย์เพราะเราไม่เคยสอนใจให้ปล่อยวางอายดติดพอท่านไปแล้วใจเรายังคิดถึงอยู่ไม่ต้องรอเวลาไปก็ค่อยผ่อนคลายไปเองถามสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งครับไม่ได้ไปร่วม ง, งานสวดพระอภิธรรมหลวงปู่บวกเกตได้ฟังสวดผ่านไลฟ์สดจะได้บุญไหมครับ คือบุญที่เป็ร่วมงานศพนี้เกิดจากการบริจาคเันมากกว่าเกดจากการช่วยสมพ่อมีค่าใช้จ่ายเวลาทำศพแต่ละครั้งนีดนึ่งค่าใช้จ่ายสูงมากเราไม่มีโอกาสได้ทําบุญด้วยการบริจาคเงนแต่การสังส่วนนี่มันได้ได้สติมันไม่ใช่ได้บุญมันก็ได้ฟังเทศทนย่างี้ข้อที่สองครับพระอาจารย์จะได้มาร่วมงานหลวงปู่ไหมครับอยากจะกราบพระอาจารย์สักครั้งครับ คงจะไม่ได้ไปเรายินตอนนี้สังขารไม่ค่อยเอองลแบบยไม่สามารถเดินยืน ไ, ดนได้นานได้นานถ้าไปก็ต้องนั่งรถเข็นซึ่งผมยังไม่ไม่เชิญครักถ้าเราเจอคนที่เขาไม่ซื่อสัตย์กับเราเราควรทำอย่างไรครับทุกวันนี้ความโลภคนมีมากครับก็อมองว่าคนมันเหมือ น, นผลไมนะ้นย คนละม้าก็มีหลากหลายฉะนั้นมีทุเรียนมีมะม่วงถ้าเขาเป็นคนถ้าเขาเป็นทุเรียนเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นมะม่วงทั้งนั้นก็จบก็ยอมแล้ว่าเขเป็นทุเรียนไปแล้วพบคนที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ยอมรับว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ไปทั้งนั้นเองก็ระมัดระวังเราอย่าไปยุ่งกับเขาก็แล้วกันถือว่าเป็นคนที่เราไม่คคนคบค้าสมาคมด้วยพระจ้ให้เลือกคบคนให้คบคนดีคนไม่ดีอย่าไปคบค้าสมาคมด้วย รู้ว่าตนเป็นคนคิดมากครับพยายามภาวนาแต่ก็อดคิดไม่ได้อย่างนี้จะทําอย่างไรดีครับก็ต้องพยายามฝึกสติไปทั้งวันเมนื่อแต่งขึ้นมาก็ทนนันทีจะคิดก็คิดแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆไม่จะเปลี่ยนบ้างก็ได้จากพุโทโธเป็นพุโ ท, ทโธธรรมสัมโคก็ได้พุทธังสรารนามะชามิถังสรารนามะชามินะ้ให้มีบทอะไรสวดอยู่ในใจเราไปเรื่อยๆไม่ต้องออกเสียง นั่มันจะช่วยสกัดกั้นความคิดได้ออกไปความคิดเราก็จะเบาบางลงข้อที่หนึ่งครับการปฏิบัติโดยการทรมานตนเพื่อให้ได้รับความทุกข์กับการปฏิบัติเพื่อให้ผ่านเวทนาต่างกันอย่างไรครับก็เหมือนกันนะความทุกข์ทางร่างกายก็ ก, ก็คือทุกขเวทนานี่เองอดอาหารมันก็เป็นความทุกขทางร่างกายนั่งไปให้มันเจ็บเราก็ ว่ายกายการเจ็บขึ้นมามันก็เป็นความทุกข์ทางร่างกายานี่มันอันเดียวกันแต่แต่ละชุมคนแต่ละคนอาจจะชอบแบบนั้นหมือชอบแบบนี้ก็เขาต้องเลืแล้วแต่คนจะเลือกอุบายในการฝึกจิตให้อยู่กับความทุกข์ให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาขึ้นมาต่อสู้กับความทุกข์ของร่างกายให้ได้และในการปฏิบัติเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่านี่คือการทรมานตนหรือนี่คือการผ่านเวทนาครับ เรเราต้องรู้สึกว่านั่งแล้วเราจะความเจ็บแล้วเราผ่านไม่ได้เราเราเลือกนแสดงว่าอะไรเราติดอยู่ตรงนี้ถ้าเราอยากจะให้ผ่านเราต้องทนหนั่งต่อไปด้วยการเวทนาความเจ็บจะหายไปเองวิจใยเราสงบวจเราสามารถอยู่ความเจ็บได้ไม่เดือดร้อนขอความเจ็บเราก็จะรู้ว่าเราได้ผ่านความเจ็บนี้ได้แล้ว ปราถนานิพานครับไม่อยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแล้วครับต้องไปบวชเร็วที่สุดถ้าบวชนะปฏิบัติตามสติปัฏฐานสูตรได้พระเจ้าก็บอกว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี <c oughs> ผมโดนตะขาบกัดครับมีความปวดมากพยายามเอาจิตมาอยู่กับลมแต่ไม่ไหวจริงๆครับควรใช้วิธีไหนที่ทาให้หายปวดได้ครับอย่าไปอยากให้มันหายปวดนะ ความปวดของร่างกายเราไปควบคุมบางครับไปสั่งมันไม่ได้สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือความปวดทางใจถ้าเรายอมปล่อยให้ร่างกายปวดได้ความปวดทางใจก็จะหายไปโดยที่ไม่ต้องใช้คําบริกับก็ได้ไม่ต้องใช้การดูลมก็ได้ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าความทรมานใจของเราเกิดจากความอยากให้ความปวดหายไปเราเก็หยุดความอยากนี้ให้ได้ท่านเองถ้าหยุดได้ความทรมานใจก็จะหายไป อยู่ความปวดได้อย่างไม่ทรมานได้สั่งซื้อสินค้ามานะครับแต่ทางร้านส่งสินค้ามาแล้วเพราะว่าสินค้ามีปัญหาก็เลยแจ้งกับทางร้านไปร้านแจ้งว่าไม่สบายใจก็ส่งสินค้ากลับก็เลยทําเรื่องคืนเงินสินค้าก็ปรากฏว่าได้รับเงินคืนเรียบร้อยครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะส่งสินค้ากลับไปได้ทางนั้นเลยแจ้งว่าเราทําแต่เรื่องคืนเงินไม่ได้คืนสินค้าให้ติดต่อกับทางร้านดิฉันก็พยายามติดต่อกับทางร้านอยู่หลายวัน สรุปว่าคุยกันไม่เข้าใจครับก็ไม่สามารถส่งคืนกลับได้ก็เลยไม่ทราบว่าถ้าอย่างนี้จะเป็นบาปไหมครับก็เราก็ยังไม่ได้ทาตามสัญญาก็ต้ามหาวิธีชดใช้เขาส่งเงินคืนไปก็ได้ถ้าเราส่งของไปไม่ได้จะได้ไม่มีพันัะต่อกันตอนนี้เรายังเป็นหนี้เขาอยู่เพราะเราไม่ได้ส่งสินค้าคืนให้เขาไป ก้รารส่งสินค้าไปได้ส่งเงินคืนไปได้ไหมแล้วเรถือว่าจบไปมีคุณหมอฤทธิเดชเป็นหมอผ่าสมองครับอาจารย์มาคอมเมนต์บอกว่าผมก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับผ่าไปเจอแต่ก้อนเนื้อยุนหยุ น, ยนเส้นเลือดใต้น้าใสๆไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างครับอาจารย์นั้นเขาเหมืนชิปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะสมองก็เมันชิปที่ประสานที่มีการสั่งงานให้ส่วนต่างๆทํางานได้ เนสมัยนี้รถยนต์ก ม, มีมีคอมพิวเตอร์นี่นั่นอยู่ในรถใช่ไหมเพื่อควบคุมสั่งให้เปิดไฟปิดไฟเปิดแอร์ปิดแอร์ทอ้นี้ก็เหมือนกับสมองอะสมองว่ามีหน้าที่สั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหวในส่วนต่างๆให้ขยับเาขยับแขนขยับเท้าแต่ผู้ที่จะสั่งสมองอีกทีคือใจเนี่ผู้จะสั่งให้ลุกขึ้นยืนให้ยกแขนขึ้นให้วางแขนลงนี่คือใจสมองมันสั่งเองไม่ได้ต้อง<ช> <ๆ S 2> ราคำสั่งจากใจ เวลากดตายไม่มีใจสั่งร่างกายก็อยู่นน่งเฉยๆไม่มีใครสั่งการนะัะถ้ามองสั่งการเองไม่ได้ต้องรองรับคำสั่งจากใจกอีกทีนะ่ะนั่งสมาธินานทั้งวันดีหรือไม่ดีครับอย่างไรควรอย่างไรดีเหมาะสมครับอาจารย์อ๋อดีแตถ้าถ้านั่งได้แล้วสงบได้มันก็จะช่วยตัดกิเลสไปได้เยอะๆเลยเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเงิน ไปซื้อดุีเดียวมาดูไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่เราสามารถนั่งสมาธิอย่างมีความสุขได้ยังเป็นวิธีหาความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดที่มีโทษมันที่ไม่มีโทษไหนไม่ว่ากับการหาความสุขจากราดทดจากลดเสียงดินลดดนตรีจะต้มีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคชราครับ ท้องเสียช็อตไม่ได้มีสติร่วมเดือนนอนหลับเป็นส่วนใหญ่แล้วจากไปอย่างสงบแบบไม่มีสติแบบนี้ถือว่าไปดีน่าจะได้ไหมครับปกติท่านสวดมนต์ไหว้พระทุกวันครับทําบุญอยู่เป็นนิตครับถ้าเราไม่มียาอย่างทราบกันไปนึกแบบว่าบุญบุญเมื่อบาทที่มีในใจท่านมีมากน้อยเพียงไรการนอนเฉยๆนิ่งๆเฉยๆไม่ไม่ได้เป็นตัวแสดงว่ากนะไม่มีมีบาตมากกว่าบุญหรือมีบุญมากกว่าบาตรอย่าง ถ้าลมหายใจสุดท้ายเราอยู่กับนิพพานเราจะไปนิพพานได้ไหมครับแล้วกรรมที่เราทําในช่วงมีชีวิตจะทําให้เราพลาดไปนิพพานได้ไหมครับทางหน้าที่จิตสุดท้ายเรามุ่งหวังนิพพานครับก่อนจะจิตสุดท้ายเป็นนิพพานมันต้องเป็นนิพพานตั้งแต่ตอนนี้แล้วอืถ้าเราเป็นตอนนี้เวลาตายจิตสุดท้ายก็จะเป็นนิพพานแต่ตอนนี้จิตยังเป็นกิเลสอยู่ตอนตายจิตสุดท้ายมันก็ยังจะเป็นจิตกิเลสอยู่มันไม่ใช่เป็นจิตนิพพาน เพลงแต่เนิ่เฉยๆให้เป็นจิตนิพพานมันนิ่งไม่ได้ให้เนิ่งได้ก็สบายสิสั่งปุ๊บกดปุ่มปั๊ปบต่อไปนี้เปลี่ยนจิตให้เป็นนิพพานนะครับมันสั่งไม่ได้มันต้องปฏิบัติขัดเกาต้องเจอทุกข์อย่างมหาศาลถ้าสามารถละตัณหาความอยากตัวที่สร้างคขับทุกข์อย่างมหาศาลนี้ให้มันหยุดได้ละมันได้มันถึงจะเป็นนิพพานขึ้นมาได้ การนั่งสมาธิแล้วเห็นแสงสีอย่างนี้เป็นเรื่องที่มาถูกทางไหมครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เป้าหมาของเราเราไม่ต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้เวลานนั่งสมาธิถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาอย่าไปสนใจให้ผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานถ้าเราใช้บริการพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปอยู่ลมก็ดูลมไปโดยที่ไม่ต้องไปสนใจกรรมการต่างๆที่อาจจะปรากฏขึ้นมา เปาหมายของเราจิตให้เนี่งสงบให้ว่างให้เย็นให้สบายถ้ายังไม่เนี่งสงบยังไม่ว่างยังไม่เย็นก็ต้องดูร่มต่อไปบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆอะไรจะมาเกิดขึ้นก็มันต้องไปสนใจพระอาจารย์ครับชีวิตของคนเรานั้นการเกิดและการตายถูกกาหนดมาแล้วใช่ไหมครับและทําไมคนเรามีความสุขและความทุกข์ไม่เหมือนกันครับและจะทําอย่างไรให้ชีวิตไม่เกิดไม่ตายครับ การเกิดมันถูกกำหนดการจัดความอยากของเราแต่การตายนี่มันไม่มียังไม่มีการกำหนดยังมไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อย่างไรแล้วการบรรดาลเมืสุขเมื่อทุกข์ก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีกิเรสหนากิเลส น, น้อยทำบุญมากเราทำบาปมากตัวนี้เป็นตัวที่จะทำให้ผลของชีวิตเรามีสุขมากมีทุกข์มาก คำตอบสุดท้ายก็บอกว่าแล้วจะทําอย่างไรให้ไม่เกิดไม่ตายครับอาจารย์ก็ต้องละความอยากที่เป็นเหตุมาให้มันเกิดความอยากก็มีความอยากเสียงรูปเสียงกลิ่นลดความอยากไล่ล่ามลดเสื่อเสื่อความอยากไม่ให้สิทธทิฐานให้เรามีอยู่สูญหายไปจากเราความอยากเหล่านี้เป็นตัวที่ทําให้เรากลับมาเกิดกายเจ็บตายอยู่เรื่อยๆคำถามถามพระอาจารย์ยกตัวอย่างการนั่งอธิษฐานช่วย ให้ทีมน้องๆ้องหมูป่ารอดชีวิตจากในถ้ำอย่างนี้ถือเป็นการภาวนาไหมครับไม่หรอกเป็นการนึกคิดไปเองแต่เ้เด็กการภาวนานี้ไม่ได้ทําเพื่อให้ให้ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้การภาวนาเพื่อทําจิตให้สงบและเพื่อหยุดปีเลตนหาที่มีในใจเราวิธีการจิตเห็นจิตคืออย่างไรครับ่็เป็นขั้นวิปัสสนา ต้องขมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถเห็นจิตได้ถ้าจิตของไม่มีสมาธิจิตจะมองออกไปข้างนอกจะเห็นแต่รูปเสียงกิตแล้วจะไม่สามารถมองเห็นจิตได้ต้องดึงจิตเข้าข้างในให้เข้าไปในสมาธิพอจิตเข้าข้างในเข้าไปในสมาธิก็จะสามารถที่จเห็นจิตเห็นสิ่งต่างๆที่มีในจิตได้เห็นนอกเห็นสว่างเห็นกรรมเห็นอะไรต่างๆไั้ทั้งวันมันอยู่ในใจอยู่ในจิต การระ ง, งับความโกโรธเมื่อระ ง, งับไปแล้วแต่ความไม่พอใจยังคงอยู่และบางทีกลายเป็นความเกลียดอยู่ในใจควรทําอย่างไรให้จิตใจเป็นปกติให้อภัยได้อย่างแท้จริงครับก็ต้องให้อภัยอย่างแท้จริงเลยก็อย่าไปถือเทษกดเครื่องเขาเท่านั้นเองอย่าไปมีเรื่องไม่เล่าเขาเม่อยอมระงับด้วยการไม่จองเห็นเท่านั้นไปอย่าไปจองไปจอ ง, จองวัตกรรมกัน ถ้า e ยังไม่ยังจองเวรจองกรรมอยู่มันก็ยังมันก็ย okay. ังไม่สมบแต่ถ้าเราให้อภัยก็ได้อย่างจริงใจใจเราสมบก็ถือว่าเราให้ได้เราให้อภัยเขาแล้วหมดปัญหาของเขานะเรามีวิธีคิดแบบไหนไม่ให้กลัวความตายได้ครับก็ให้คิดว่าร่างกายมม่ใช่ตัวเราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มาใช้ร่างกายมันเคื่องมือ นั่นเองวันหนึ่งร่างกายก็ต้องจางออกไปเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นคนรับใช้เราใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อคนตายแล้วเกิดทันทีแล้วถ้าเราทําบุญจะถึงผู้ที่ตายไปแล้วไหมครับยังไม่ไปเกิดมนุษย์ทันทีต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนไม่เป็นเทวดาแล้วไปเป็นเปรตเป็นไปไปนรกก่อนก็อยู่กับบุญกับบาปที่เราทําไว้ ยกเว้คนที่ไม่มีบุญและไม่มีบาปเรื่องบุญกับบาปที่ทําให้มันเท่ากันคนนี้ก็จะไปรอเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ไม่ได้เกิดทันทีเพราะยังต้องหาร่านกายอยู่เหมือนกับต้องไปดูที่เขาโครงการสร้างบา้านต่างๆว่าเขามีเปิดโครงการสร้างบา้านมีเปิดคโนเราให้เราเข้าไปจองได้หรือไม่ถ้ายังไม่มีโครงการเราก็ต้องรอไปก่อนถ้ายังไม่มีการผสมพันธุ์กันก็นนยังไม่มีการจะไปเกิดได้ก็ต้องรอให้มีการผสมพันธุ์มา ถ้ามีอยู่ที่ดาวอื่นก็ไปดาวอื่นเลยนะครับพระอาจารย์ที่ไหนก็ไปได้นะเพราะจิตนี่มันสามารถเดินทางไปได้อย่างรวดเร็วไปด้วยพระอาจาย์ของข่าวคิคับขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายสติปัฏฐานสี่อย่างย่อครับคือเป็นพระสูตรที่สอนการปฏิบัติสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกสอนให้เจริญสติก่อนให้มีสติอยู่นนกับร่างกาย ไว้เฝ้าดูการเคลืนไหวร่างกายผูกใจไว้ให้อยู่กัร่างกายเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้นั่ง น, นั้ง น, นั่งนีนนนน้พอมีสติมีกําลังพอให้มานั่งสมาธิโดยการให้ดูลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่า น, นาบานสติให้จิตเข้าสมาธิเข้าอัปปนาสมาธิให้ได้ให้ได้อุเบกขาพอเราจนานาจากการเข้าสมาธิได้อุเบกขาแล้วขั้นต่อไปก็มาศึกษาธรรมชาติของร่างกาย ธรรมชาติของเวทนาธรรมชาติของจิตเพื่อปล่อยวางตอนนี้จิตเราติดกับรงกายติดกับเวทนาติดกับจิตใจเราไม่เครียดไม่ทุกข์กับร่างกายเครียดกับเวทนาเครียดกับจิตเราต้องการไม่เครียดกับกายเวทนาจิตเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติกายเวทนาจิตเป็นเรื่องจำเป็นของไม่เที่ยงที่เราควบคุมบังครั้ไม่ได้จะให้มันเที่ยงจะให้มันมีตัดสุขอย่างเดียวทําไม่ได้ ต้องยอมนะว่ามันต้องเปลี่ยนไปเกิดแก่เจ็บตายให้นั่นได้เวท น, น, น, น, น, นาไม่สุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อารมณ์กุจิต ก, ก, ก็มีการแปดปูนบางทีก็สดชื่นเบมกบานบางทีก็เศร้าหมองต้องอย่ายไปทุกข์กับสิ่งเหล่านี้น เ, นเข้าใจธรรมชาติของเขาที่เราทุกข์เพราะเราอยากจะไปเปลีป่ยนเขาอยากให้เขามีแต่สุขอย่างเดียว คุณแม่เป็นสมองฝออัลไซเมอร์ครับด่าลูกสาปแช่งทั้งวันแก่ไปเราจะเป็นเหมือนคุณแม่ไหมครับเราเป็นลูกดูแลอย่างดีโดยไม่ได้โต้เถียงเลยครับเพราะแต่คนไม่แน่เพราะสะติของแต่ลคนไม่มากมน้อยไม่เท่ากันการทำบุญให้ผู้ล่วงลับไปแล้วถ้าไม่ได้กรดน้ำบุญจะไปถึงผู้ล่วงลับไหมครับไม่โวรนะแต่ต้องหม่ทิศในใจต้อ ง, องเล็ก ภายในใจว่าเขาทิส่วนบุญี่ให้กับท่านท่า น, นี้ที่ร้องรับไปแล้วเขาก็จะได้รับได้แต่ต้องมีการบุกทิศแต่ไม่ต้องใช้น้ําก็ได้น้ำนี้เป็นเพียงแต่เป็นเหมือนกับตัวอย่างตัวอย่างของบุญที่เราจะส่งไปเอาเทน้ำออกจากภาชนะหนึ่งสู่ภาชนะหนึ่งก็เหมือนเราส่งบุญจากใจหนึ่งไปสู่ใจหนึ่งนั่น ขอความเมตตาพระอาจารย์สอนเรื่องวิธีการละขันห้าครับขันห้าก็คือเนี่ยก็ร่างกายกับใจเนร่างกายก็เป็นของไม่เทีย่ยงที่มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมนาเราต้องอยอมรับความจริงอนี้ปล่อยให้มันแก่เจ็บตายแล้วก็เราก็จะมันทุกวกับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือลร่ร่างกายส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเรื่องของ นรืหนึ่งก็คือวิทยาการรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็ต้องเราก็ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่าไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวอย่าไปอยากให้ทุกข์หายไปเพราะความอยากนี้สร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับเวลาวิทยาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขก็รับได้ทุกข์ก็รับได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รับได้นี่คือการปล่อยวางวิทา คือเวทนาก็เป็นตัวแทนของนานมาขันทั้สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ่อกที่ต้องปล่อยตัวนี้นก็คืออารมณ์ก็มาเกิดมาจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ทําให้จิตมีอารมณ์แปรปรวนบางทีก็สดชื่นแบบบางทีก็เศร้าหมองบางทีก็เครียดบางทีก็เบาเบาใจนี่คือความไม่เทียงแท้แน่นอนของของารมณ์ที่มีในใจที่เราจะต้อง อย่าห้ฝืนอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเพราะมันจะทำให้เราทุกข์ยอมรับเันไปตามความเป็นจริงคือการปล่อยวางปล่อยให้เป็นไปจิตเจรจิตใจเบิกบานหรือว่าเบิกบานจิตจะสั่นเศร้าก็เราะสั่นเศร้าเพราะมันมีอจะมีเหตุการณ์ที่มากระทบที่จะทําให้จิตมีความเบิกบานบางทีก็ทําให้เกิดในการสั่นเศร้าบางทีเวลาได้เราได้ยินข่าวดีจิตใจก็เบิกบานขึ้นมา เราได้ยินขาวไม่ดีจิตใจก็เศร้าลงไปนี่มันมีเหตุมีปัจจัยที่เราควบคุมบังคับไปได้แต่เราสามารถควบคุมใจเราไม่ให้ไปทุกข์กับมันได้ด้วยการปล่อยวางปล่อยให้มันเป็นไปอันนี้คือการปล่อยวางขันธ์หนาปล่อยร่างกายปล่อยเวทนาแล้วปล่อยอารมณ์ ต, ตา่างอาจารย์ครับแล้วยังจิตพระอรหรนันนี้มีเบิกบานมีซึมเศร้าอยู่ไหมครับอาจารย์ ไม่อยากจะพูดล่วงเล่าถึงพระแล้วแต่ถ้าพูดตามทางที่ศึกษาเน่ยท่านก็จะท่านจะต้องสัมผัสอยู่เพียงแต่ท่านไม่ทุกข์กับมันแล้วน่าภาคมิใช่ไหมบงทีท่านได้ยินข่าวไม่ดีท่านก็จิตก็สึมเศร้าได้แต่ท่านไม่ทุกข์กับข่าวที่ไม่ดีถ้าแค่เฉยๆรับรู้ไปแล้วมันก็ผ่านไปอันนี้ไม่แน่เราพูดไปเันนียอาจจะไม่ถูกก็ได้ต้องขออภัยด้วยหมพูดไปตามอความรุ่นเรื าการได้ศึกษามารได้ยินได้ฟังมาครับการแจกทานเครื่องบริโภคหรือทานต่างๆทุกๆปีกับผู้ที่มีรายได้น้อยกว่าเราหรือผู้ยากไร้เราได้บุญไหมครับถ้าเราตายไปเกิดพบหน้าเราจะได้ผลตามที่เราไปพบหน้าไหมครับได้ได้เหมือนกับเราโดยจะให้กับพระสงฆ์เจ้ า, จาเหมือนกันผู้รับไม่สําคัญอยู่ที่ผู้ให้อยู่ที่อที่สิ่งที่เราให้ ถาเรามีสิ่งของว้ยจากไปนี่ผู้รับจะเป็นพระก็ได้เป็นคารวะก็ได้ได้บุญเหมือนกันไม่ไม่มีลูกครับเพราะอายุเกินการมีลูกแล้วหรือกังวลว่าการชราอยู่คนเดียวในบ้านตอนชราอย่างนี้ควรจะทําอย่างไรดีครับก็คิดว่าบางทีมีลูกคารเพ่ขึ้นมาจะสมยเงไงถ้าไม่มีจะดีกว่า สมาธินุ่งกตัญยูมีตัองยอะแยะเนี่ยค่ะซึ่งมีข่าวล่าสุดเนี่ยประกาศตัดขาดจากพ่อแม่ว่าไม่เป็นพ่อพ่อพ่อแม่กันแล้วเราไปได้ลูกมาลี้มันมาแทบเป็นแทบตายเพื่อจะหวังให้มันมาเลี้ยงดูเราในวันตายของชีวิตมันก็มันก็ถีบเราทิ้งไป <laughs> อย่าไป ม, มีอันนี้หัยอาจเพิ่มตนเองเถอะถ้าเพิ่งตนเองไม่ได้ก็ยอมตายไปถ้านั้นก็จบ ขอน้อมถามท่านพระอาจารย์อธิบายเรื่องฌานกับญาณครับฌานคือความสงบคือสมาธิสมาธิมีหลายหลายขั้นมีแบ่งเป็นแดขั้นกั น, กนที่เราเรียกฌานฌานแปดรูปฌานสี่รูปฌานสี่อันนี้คือสมาธิยานคือการอย่างรู้อย่างรู้ว่าตอนนี้จิตเราไม่ทุกข์กับเวทนาแล้วจิตเราไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายแล้วอันนี้ไม่ว่าญาณการยัน อย่างทราบการรับรู้เป็นปัญญาเรียนพระอาจารย์ครับตอนนี้มีคนฟังอยู่ประมาณพันหกร้อยคนเลยนะครับอาจารย์สดๆเลยนะตอนนี้ครับตายปุ๊บได้เกิดปั๊บไหมครับคือได้ไปเกิดได้เป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆเป็นเทวดาบ้างเป็นเป็ดบ้างไปในรลกบ้างเนี่ยก็ทันทีปุ๊ปั๊บเลย แต่จะรอมาเกิดเป็นมนุษยนี่ต้องรอให้พ้นมุนพ้นบาป ก, ก่อนแล้วเจ้างมารอรารับร่างกายถ้ายังไม่มีการประสมพันธุ์ยังไม่มีการสร้างร่างกายก็ต้องรอไปต่อแล้วก็คิวมันจะยาวมากแล้วเท่าไหร่ผู้ที่จะมารอรับร่างกายนี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาสั้เขาเขาเลือกสั่งแค่ยังไงใครใครได้คิวก่อนคิวหลังไม่ไม่ทราบเห การอยู่กับสติปัฏฐานสี่ถือว่าจิตสงบไหมครับไม่ต้องอยู่กับสติปัฏฐานสี่ให้มีสติอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็จะทําทให้ร่างกายทําให้จิตสงบตามลําดับถ้าอยากจะให้สงบเต็ที่ก็ต้องนั่งเฉยๆก็ให้มีสติอยู่กับลมหายใจหรือยู่กับพุโทโธการทําบุญใส่ซองช่วยงานศพ เป็นการทำบุญหรือไม่ครับเป็นเป็นการบริจาคมันทอของเราให้กับผู้อื่นไปใน่ว่าทานกราบพระอาจารย์ครับโยมขออนุญาตถามว่าหากเราซื้อแต่ของใช้ทั่วไปถวายแทนจำพวกอาหารเพราะในวันพระจะมีปริมาณอาหารเยอะมากหากเราคิดแบบนี้จะได้บุญเช่นเดียวกันไหมครับ ได้จะเขาถวายอะไรกันได้ทั้งคารวะบางคนเขาก็เขาก็ฉลาดเขาถวายทุกอย่างอาหารเขาก็ถวายเครื่องใช้ไม่สอยเขาก็ถวายแรงที่ฟันญาที่ฟันสมองสมองูสมอะไรของใช้จําเป็นเขาก็ถวายโยมสวดม น, ดนตนไม์ไปด้วยรดน้ําต้นไม้ไปด้วยผิดหรือบาปอะไรไม่ครับถ้าเราสวดภายในใจก็ไม่มีใครรู้ก็คงจะไม่เป็นปนัญหาอะไร ถ้ า, าสวนแล้วออกเสียงขณะที่เราทคนที่ก็ได้ยินเขาก็อาจจะว่าไม่ไม่มีความเคารพเพราะการสวดมันต้องอยู่ในท่าที่เรียบร้อยอยู่ในท่าที่แสดงความอ่อนน้อมจะนั่งตอนหน้านพระพุทธรูปเราสวดมนต์แต่ถ้าสวดมนต์เพื่อเป็นการจงรักสักนี้เราสวดนในใจนี้เราจะสวดที่ไหนก็ได้กำลังทำอะไรก็ได้ เวลานั่งสมาธิแล้วจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจพอลมเริ่มเบาแล้วจะมีความรู้สึกหน่วงๆผมนึกว่าเป็นจิตแต่หลวงพ่อบอกว่าจิตอยู่ในโลกทิพผมควรจะจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจหรือกําหนดความรู้สึกอยู่ที่ความน่วงๆที่รู้สึกว่าเป็นจิต ด, ดีครับความน่วงๆนั้นบางครั้งก็เห็นเหมือนแสงสว่างจะกําหนดอยู่ตรงไหนดีครับอยู่ที่ลมต่อไปเรื่อยๆอย่าไปอยู่ที่อื่นอะไรจะปรากฏขึ้นมาในใจเพตอะ น, นั้นก็อย่าไปสนใจ ไม่ผูกไว้กับลมจวาทุกอย่างจะสงบนั่างว่าหายไปหมดชวนเพื่อนมาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อนมีความเห็นว่าพุทธศาสนาสอนแต่ให้เห็นทุกข์แต่เพื่อนอยากจะสุขทําไมต้องทุกข์ด้วยจะแ <c oughs> นะนําเพื่อนอย่างไรดีครับก็เหมือนกับนักศึกษาแพทย์นักศึกษาแพาทย์เราไปศึกษาศ вот ึกษาเรื่องโรคภายไค่เจ็บนรืศึกษาเร <พา S 1> ื<ๆ>่องความสุขของร่างกาย พลังกายม mm ีความสุขก็ไม่ต้องไปศึกษาให้เสียเวลาใช่ไหมที่ศึกษาต้องเป็นศึกษาเรื่องความทุกข์ของร่างกายก็จะได้รู้จักวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้เพราะพุทธศาสนาก็สอนเรื่องการรักษาใจเนี่ยถ้าใจมีความสุขก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาเรียนให้เสียเวลาที่เราต้องมาเรียนการเพราใจมีความทุกข์เราต้องมาเรียนรู้ว่าวิธีก็รรักษาความทุกข์ของใจให้รักษาได้อย่างไรก็เหมือนกับการรักษาร่างกายดีๆนี่ ก็ไม่เข้าใจกันเ<ม>ท่นี้ครับการที่เรารู้ว่าจะโกรธหรือไม่พอใจแต่เราระงับมันได้มันได้อย่างนี้เรียกว่ามีสติได้ไหมครับได้ถ้าเราไม่ปล่อยออกมาสัญ เ, เรามีสติแนตะ่ยังไม่ไม่ครบร้อยถ้าครบร้อยเนี่ยจะต้องไม่เกิดเลยเต็มร้อยอันนี้ต้องมีมีปัญญามาช่วยสนับสนุนคือต้องรู้สาเหตุของการที่ทําให้เ ร, ราโกรธ ว่เาเกิดจากอะไรเราลองนัเห็ุนั้นให้ได้เหตุที่ทาให้เราโกรธเกิดจากการที่เราอยากให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้นั่นเองหรืออยากให้เขาทาอะไรสักอย่างแล้วเราไม่ได้หลัำใจอยากเราก็เลยจะโกรธขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธเขาพยายามรักษาศีล์ห้าแต่อัตตามักจะโผลมาเป็นระยะ จะลดอัตราลงจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็รักษาสิ่งท่านี้ก็ละอัตราได้ในระดับหนึ่งคือเราจะไม่เอาตัวเราไปทําร้ายผู้อื่นไปรักทรัพย์ของผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการละละตาตัวตนไป็นอย่างระดับหนึ่งถ้าอยากจะให้ละมากกว่านั้นสิ่งอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าสมาธิพอเราเข้าสมาธิจิตที่สงบอัตราตัวตนจะหายไปหมดเลย แต่จะเป็นการหายแบบชั่อข่าวถ้าเราอยากจะให้มันหายแบบถาวรเวลาออกจากสมาธิบาพอเริ่ม ม, มีอัตตาต้ตนเรามาใช้ปัญญามรารคอรพิจณาอัตตาตตนมันจะมากับความอยากความอยากนี้เป็นเป็นตัวแสดงออกของอัตตาโต้ตนเราอยากได้นู่นอยากได้นีน่เราก็มาหยุดความอยากให้ได้ด้วยการเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอราะว่ามปทุกเราก็จะไม่อยากได้พอหยุดความอยากว่าตัวตนก็จะหายไปกับความอยากอย่างถาวรกราบสาธุพระอาจารย์นะครับด้วยความเคารพอย่างสูงบางทีก็คิดได้ว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้สิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปแต่พอเป็นแม่ป่วยก็คิดสงสารว่าท่านต้องมีกรรมเพราะต้องหาของมาให้ลูกก็จะเสียใจมากครับ ก็ต้องคิดบบ่อยๆคิดมองให้กว้างๆไม่ใช่เฉพาะแม่คนเดียวมองทุกคนว่าเหมือนกันหมดไม่ว่าเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นคนที่เรารู้จักปัญญาติหรือไม่รู้ไม่ไม่เป็นญาติเหมือนกันหมดทุกคนอยู่ในโลกนี้เป็นโลกของเกิดแก่เจ็บตายด้กับทุกคนไม่มีข้อยกเว้ น, น, นแต่พระพุทธเจ้าก็ต้องเจอความแก่เจ็บตายเหมือนกันให้หมองให้นะเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับพาะที่ขึ้นเนี่ย เวลาพาทิ่สองแสงสว่างนั้นก็ส่องไปกระจายไปทั่วมุ้นผิวโลกเลยทุกคนรับแสงสวาง่างเท่ากันหมดฉหนไ้มเมื่อเรามาเกิดเราก็ต้องรับผลของกรรมเท่ากันหมดทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติ UFO มีจริงไหมครับทาไมาต่างประเทศให้ความสำคัญกับ UFO ครับอาจารย์ก็อาจจะพี่พ่อเขาอาจจะเห็นอะไรเห็นแสงวูบวาบในท้องฟ้าและะ้วก็เลย จินตนาการไปกันเองว่าเป็ น, ปนยาหรืออากาศมาจากโลกนั้นโลกนขึ้นมาแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปพิสูจน์ได้ก็เหมือนกับคนไทยเห็นผีอะยะไปหมดนะใช่ไ่มแต่ก็ไม่มีใครจับผีมาให้เราดูได้สักคนผีก็อยู่ในหัก็แบบเดียวนะกันนั่นแหละกจินตนาการของจิตที่ไปเห็นอะไรที่มีการเคลื่อนไหวนิดหน่อยก็คิดว่าต้องเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมา ยอมอยู่ใกล้วัดที่กุติเจ้าวาดโดนไฟไหม้ท่านโดนไฟบาดเจ็บสาหัสตอนนี้กําลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรู้สึกเป็นห่วงท่านและกังวลมากควรจะวางใจอย่างไรเพื่อคลายความกังวลครับทุกคนในการมาต้องเจ็บต้องตายในยกันทุกคนในท่านก็เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเกิดจากอุบัติภยัยต่างๆก็ไดแล้วก็อาจจะต้องเป็นเหมือนท่านก็ได้วันใดวันหนึ่ง สิงที่เราควรทำก็คือพยายามทาใจดีกว่ายอมรับกับความจริงอันนี้แล้วใจเราจะไม่จะไม่สร้างแต่จะทําทให้ยอมรับได้แล้วต้องฝึกสตินั่งสมาธิถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราจับใจไม่ได้เพราะกินเลยเราไม่ยอมรับความจริงอันนี้คนที่เกิดตามเวลาที่พ่อแม่กําหนดจากการดูดวงชีวิตเขาจะถูกกําหนดจากสิ่งนี้ได้ไหมครับ ไม่ได้แร้วชีวิตเขาอยู่กับพฤติกรรมของเราอยู่ที่บุญที่บาปที่เขาทำฟังธรรมะจากพระอาจารย์ผ่านเพจกดไลค์กดใจสนับสนุนเพจไปด้วยแบบนี้ได้บุญไหมครับก็ดูที่ใจเรานะถ้าใจเรามีความสุขเราก็ได้บุญบุญก็คือความสุขใจ ถือศีลห้าแต่ไปลงสนับสนุนให้เกิดการประหารชีวิตคนที่ทำผิดปานาติบาทเราจะมีส่วนร่วมในบาปนั้นไหมครับจะผิดศีลข้อหนึ่งด้วยไหมครับไม่ผิดครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนไปไกระทาฝันเห็นญาติที่ล่วงลับไปแล้วบ่อยๆเพราะเหตุใดครับพคิดถึงเขาเลยที ดูข่าวมีการตัดขาดจากแม่อย่างนี้คนที่ตัดขาดเป็นบาปไหมครับก็เป็นคนที่ไม่เห็นพจน์ของแม่คจนของแม่เนี่ยมีมากมายไกลกอที่เราไม่สามารถชดเชยได้เลยการที่ไปโกรธท่านเพราะท่านอาจจะมีพฤติกรรมในบางอย่างที่ไม่ถูกใจเราเนี่ไม่ไม่ใช่เป็นสาเหตุที่ว่าจะต้องไปตัดขาดจากท่านแล้วความจริงมันก็ตัดไม่ได้หรอกความจริงความจริงย่อมเป็นความจริงอยู่นะตลอดไป ไม่าย่อมเป็นหน้าสมาไปลูกย่อมเป็นลูกสมาไปไม่อยากเกิดอีกต้องปฏิบัติอย่างไรครับตัดความอยากให้หมดตัดกิเลสให้หมดไปจากใจด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาวิญญาณที่ลงอบายจะสามารถมหายาดในโลกมนุษย์ได้ไหมครับ ก็แล้วแต่ว่าบรุษย์ที่สามารถติดต่อกับดวงวิญญาณนั้นได้นรือเปล่าเพราะมีนักปฏิบัติบางท่านท่านบอกท่านก็ติดต่อกับดวงวิญญาณต่างๆได้แต่ไม่ทราบว่ามาจากกระบายหรือไม่ไม่ทราบนะท่านบอกเป็นผีเป็นดวงวิญญาณจะเป็นดวงวิญญาณในระดับไหนนี่ไม่ทราบเหมือนกัน การให้เงินซื้อปัจจัยสี่ซื้อของอาหารให้เงินคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ตัด บ, บาทพระหน้าบ้านและที่วัดอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้เหมือนกันได้บุญเหมือนกันเขาถามต่อบอกว่าควรหรือไม่ควรถ้าจะทําบุญให้เงินเดือนแต่กับพ่อแม่เราได้ไหมครับก็แล้วแต่เราทําใครก็ได้ โอากาสครับจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไรควรยังต้องบริกรรมหรือไม่จําเป็นต้องใช้คําบริกรรมจําเป็นต้องให้จิตตั้งมั่นก่อนจึงจะเลิกใช่หรือเปล่าครับถ้ากรณีดูการเคลื่อนไหวของร่างกายพอได้อยู่คือไม่จําเป็นต้องบริกรรมไหมครับปกติหนูใช้คําบริกรรมเฉพาะเวลาที่มีความคิดเยอะหรือโปวดมากๆหรือโกรธมากๆทําแบบนี้ผิดไหมครับ คือนี่พูดถึงเวลาที่นั่งสมาธิหรือว่าเวลาที่มีการเคลื่อนไหวมันต่างกันถ้ายังมีการเคลื่อนไหวอยู่นี่การบริกรรมก็ดีแต่การมีสติในการเคลื่อนไหวนี่จะไม่สามารถทําให้จิตเข้าสมาธิได้อาจจะช่วยลดความคิดปรุงแต่งให้น้อยลงได้ถ้าอยากจะให้จิตเน่นสงบรวมเป็นสมาธิต้องอยู่ในท่านั่งสมาธิแล้วเลจิตรวมแล้วจิตจะเน่งจะสงบเราจะรู้เองว่าถึงเวลาที่เราจะไม่ต้องบริกรรม เพราะมันจยบคิดหน้ามือเป็นหนังมือจากจิตที่วุ่นวายใส่กระสับกระสับกระสายกลายเป็นจิตที่นิ่งสงบไม่มีอารมณ์ต่างๆนองเหอยู่ในจิตเลงเราจะรู้เองมื่อถึงจุดนั้นการให้ทานและทำทานกับเพื่อนมนุษย์บ่อยๆถ้าเราตายไปและก็ได้เกิดในภพใหม่เราจะได้เกิดเป็นคนรวยมีกินมีใช้อย่างสบายไหมครับไม่ หลังจากที่เรากลับมาเกิดมันต้องกรรจะผลบุญในสวรรค์ก่อนพระนิส่งส์ของฐานที่เราทําไว้แล้วพอเราลงมาจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมีทรัพย์สมบัติเช่าของเงินทองที่เราบริจาคไปนั้นกลับมารอเราอยู่เองนรกมีจริงหรือครับมีสวรรค์ก็มีจริงการเวนว่าตายเกิดก็มีจริงเพราะผู้ที่ไปเวรว่าตายเกิดก็คือใจไม่ได้ตายกับร่างกาย เวลานึกถึงเรื่องที่ทำไม่ดีในอดีตใจมีความเศร้าหมองกราบขอปัญญาพระอาจารย์ในการวางใจครับเราเอามาเป็นบทเรียนสอนใจว่าอย่าไปทำทั้งนั้นจะทำให้ใจเราเศร้าทำไปทำให้ใจเราทุกแต่ว้เป็นบทเรียนแล้วต่อไปก็อย่าทำซ้ำอีกเราก็ทำได้เท่านั้นเองการใส่บาตรตอนเช้าทุกวันส่งผลบุญในชาตินี้หรือชาติหน้าครับ ก็มีสองส่วนเราใส่บาตแล้วก็มีความสุขใจเห็นใจแล้วเวลาตายไปความสุขใจเห็นใจนี้ก็จะพาเราไปสวรรค์แล้วหลังจากนี้มรากลับมาเกิดล้วก็จะกลับมาเกิดมีทรัพย์สมบัติช่าของเงินทองรอเร า, าอยู่พญานาคมีจริงไหมครับไม่เคยพบนะไม่เคยเห็นครับถ้าไปถือศีลที่วัด หลังเที่ยงสามารถทานโอนตินได้ไหมครับน่าแต่วัดบางวัดเขถือว่าโอนตินเป็นเครื่องดืงกกมก็รัประทานก็ดื่มได้เพราะว่าเขาถือว่าโอนตินเป็นอาหารก็ดื่มไม่ได้น่าแต่การแปลความหมายของเครื่องดื่มชนิดนั้นว่าเป็นอาหารเรื่องว่าเป็นเครื่องดื่มการบริจาคร่างกายผิดหลักพุทธไหมครับ ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าไม่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญต้องบริจาคตอนที่เรายังไม่ตายเช่นบริจาคเลือดนี่เราจะได้บุญทันทีบริจากตาไปข้างนึงบริจากใตไปข้างนึง่จะได้บุญเพราะเรารับรู้เรารู้ว่าเราได้บริจาคของที่เราลากเราเราเราผ่วงไปแล้วเราจะได้รับความสุขใจเกิดขึ้นไหมจากการบริจาคนี้ แต่ถ้าเราตายไปแล้วเราไม่รู้นะเราว่าร่างกายของเราใครเขาไปทําอะไรมากอย่างไรเราก็จะไม่ได้บุญเพราะขาดการรับรู้ความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นในใจเรามันไม่มีบุญคือความสุขใจไม่เกิดหลังจากที่เราตายไปแล้วคนตายเขาจําชื่อตัวเองได้ไหมครับเพราะว่าเวลากวดน้ําเราเอ่ยชื่ออุทิศบุญให้เขาครับเขารู้น่ะเขารู้ว่าเอ่อยถึงเขาว่า ถึงเขาทำไมเราต้องรู้สึกตัวตลอดครับเพราะอะไรครับเพ ร, ราะเรจะได้ควบคุมใจไม่ให้วุ่นวายได้ไงถ้า่รู้สกตัวไปหาย ใ, ใจทําะไรตามอำเภอใจเวลาเกิดเรื่องราวขึ้นมาก็จะเกิดอาการวุ่นวายใจเครียดเศร้าหมองขึ้นมาแล้วไม่สามารถหยุดมันได้แต่ถ้าเราคอยควบคุมไปอยู่ตลอดเวลาเราก็จะสามารถป้องกัน อารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นได้จะทำให้ทาให้จิตอย่างไรเพราะกลัวและกังวลการทรมานสังขารจากเจ็บป่วยก่อนการหมดลมครับจะทำให้จิตอย่างไรก็ต้องฝึกตอนนี้ฝึกใจให้จิตสงบควบคุมจิตให้สงบให้ได้แล้วเวลาเกิดความเจ็บป่วยจิตก็จะไม่ทรมาน ตักบาตรพระครับหากเจอพระปลอมอยังได้บุญอยู่ไหมครับได้สัปดาห์หน้าจะผ่าตัดใหญ่ครับมีธรรมะข้อไหนที่พระอาจารย์แนะนําให้ทบทวนเพื่อเกิดปัญญาบ้างไหมครับมีเวลาเนี่ยมีความแก่ความตายเป็นธรรมดาความเจ็บความตายเป็นธรรมดาร่วงคว่ไปไม่ได้ยอมรับกับความจริงอันนี้แล้วเราใจจะได้สบาย หายก็หายไม่หายก็ไปเมื่อมีความปวดที่กายให้เรายอมรับว่ากายก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายแต่ที่เราทุกข์เพราะเราอยากหายเจ็บไม่อยากเจ็บแปลว่าถ้าเราเท่าทันความอยากหายเจ็บในใจความเจ็บที่กายไม่ได้หายไปเจ็บที่กายยังมีอยู่แต่ใจไม่เจ็บด้วยใจไม่ทุกข์เพราะเข้าใจความจริงของกาย แสดงว่าเราจะเดินปัญญาขณะมีเวทนาเราต้องมีกำลังสติและสมาธิมากพอที่จะพิจารณาและยอมรับความเจ็บปวดได้ใช่ไหมครับถูกต้องต้องทำตอนที่เกิดความทุกข์ถึงจะะเห็นผลถ้ามานั่งคิดตอนที่ยังไม่เกิดความทุกข์นี่ยังไม่รู้ว่าทำได้จริงหรือไม่ ถ้าเราเจ็บป่วยก่อนตายเราควรจะกำหนดอย่างไรครับตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งครับไม่ตอบสนองต่อการรักษาครับรก็ยอมรับสภาพไปเตรมตัวเตรียมใจอยอาให้ร่างกายตายไปใจก็จะไม่ทุกข์ลูกอยากเตรียมใจเรื่องการพรัดพรากสูญเสียบิดามานดาครับซึ่งอายุมากและป่วยคือลูกคิด ลูกควรคิดเรื่อยๆว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือควรปฏิบัติในรารยละเอีดอย่างไรบ้างครับก็คิดบ่อยๆแล้วื่พร้อมกับทำสมาธิด้วยเวลาทำสมาธิใจเราก็เหมือนกับมาปล่อยวางท่านได้แล้วพอเจอเหตุการณ์จริงๆเราก็จะได้ไม่ทุกข์แต่ถ้ายังทำสมาธิไม่ได้บางทีเรายังอาจจะทุอยู่ก็ได้ สวดมนต์แล้วอุทิศบุญให้ผู้ร่วงรับได้รับบุญไหมครับมันยังไม่มีบุญเกิดขึ้นจากการสวดนะการสวดมนต์นีไม่ยังไม่สร้างบุญขึ้นนาเป็นการเจริญสติยังไม่ได้ทําจิตให้สมบเป็นสมาธิขึ้นมาได้จึงยังไม่มีบุญเกิดขึ้นอยากเลิกสะสมพระเครื่องครับตั้งพิจารณาแบบไหนผมขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะครับ พระเครื่องก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งนะนี่ยถ้ามาจากเน้นถ้ามาจากโลหะไม่มีอนุภาพอะไรทั้งสิ้นเป็นความเชื่อนะครับว่าพระเครื่องชุดนี้องค์นี้เป็นอย่างนั้นมีปาฏิหาริย์อย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มีใครพิสูจน์กันได้ทุกคนคนที่ห้อยพระเครื่องเต็มคอยอย่าเจ้ากับปาิเหตุตายกันนี้ก็เยอะแยะเลยครับพระที่ทาพระยังตายเลยใช่ไหมพระอาจารย์ <laughs> คนที่เป็นอัลไซเมอร์แต่สวดมนต์ได้ตลอดทั้งวันอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้สติไงได้สติวิธีจัดการสร้างสติทุกเวลาระหว่างที่ต้องทำงานเยอะมากๆควรทำอย่างไรครับก็ให้มีสติองานที่เราทำอย่าไปคิดอย่างอื่นกาลังทาบัญชีก็อยู่กับการทำบัญชีกำลังเขียนหนังสือก็อยู่กับการเขียนหนังสือ แต่สติแบบนี้จะไม่ยังไม่ทําใจให้นิ่งให้สงบได้เพราะยังต้องใช้ความคิดอยู่เห็นเดียวว่าทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านได้แต่ถ้าอยากจะให้ดีต้องทํางานแบบที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นเวลารับประทานอาหารก็ให้รู้ว่าเรากําลังตัดข้าวเข้าปากเคี้ยวกืนหรือเวลาเดินก็นนเรารู้กําลังเดินโดยที่ไม่ไม่ต้องใช้ความคิดอันนี้จะได้สติที่จะทําให้จิตสงบ ม, ม, มากมากกว่า กาบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่ารู้สึกขนลุกกับคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกและคนนั้นเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันครับก็เป็นเรื่องของความเพิ่มเปรตินะคนที่โดนองค์คุลิมานฆ่าเขาต้องตายเปล่าหรือเปล่าครับไม่หรอกเขาก็อาจจะต้องใช้กรรมต่อที่ก็กต้องมาถูกท้องค์คุลิมานฆ่าก็ได้ เขาก็จะได้หวดเวรมดกรรมไปในใช้กรรมของเขาแล้วนั่งสมาธิจักระทั้งเจ็ดกับนั่งสมาธิแบบคนไทยพระไทยเหมือนหรือต่างที่ผลและปลายทางครับไม่ทราบเหมือนกัน้วไม่ได้ศึกษาเรื่องจกักระ การเรียนถามพระอาจารย์ครับทำไมคนทุกวันนี้ถึงทำชั่วเยอะมากในขณะที่การเผยแพร่ธรรมะพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญนุ่งเดืองก้าวไปทั่วโลกครับหลายคนบอกว่าวิบากกรรมไม่ทำงานคนชั่วอยู่กับอย่างสุขสบายส่วนคนดีอยู่ยากครับก็เป็นเรื่องของความจริงถ้าแต่คนจะสนใจเพราะีนี้มีสื่อเยอะแยะไปหมดสามารถเขาเลือกสามารถเลือกที่จะศึกษาสื่อทางด้านไหนได้ ถาเป็นเรื่องปกติของโยมทำไมเวลาเจอพระอาจารย์ถึงร้องไห้ครับก็อย่างบอกนะอาจจะเป็นครั้งเพิ่มปติบางครั้งจิตคิดนึกพุโทโธเองทำไงครับบางครั้งใจมันอยากนึกมาเองครับก็ดีเลยการนึกพุโทโธแสดงว่ามันทำให้เรามีสติ ไม่เสียหายตรงไหนให้มันนึกบ่อยๆนึกนานๆเป็นเฉพาะอย่างนี้เวลานั่งสมาธิให้มันนึกยิืมของพุโทโธได้ยิ่งสบายเลยยิ่งยิ่งเป็นประโยชน์มากฝึกสมาธิช่วยรักษาโรคมะเร็งได้ไหมครับบางคนบอกว่านี่จับประสบการณ์จริงเขารักษาได้ครับอาจารย์ได้ก็ดียิ่งบอกไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลามล้รักษาให้เหนื่อย สคนมาเรียนสมาธิกันให้หมดเลยมันไม่ไร้องมะเรงนะไปไปฝึกสมาธิกันครับใช้คําบริกรรมพุโทโธทั้งวันทุกลมหายใจเข้าออกแทบทั้งวันในช่วงเวลาทํางานมีบ้างที่หลุดแต่น้อยมากแต่เย็นมาก็กิกนเบียร์ทุกวันครับแต่กินเสร็จแล้วนอนเลยครับโอกาสจะตกนรกไหมครับท่านกินแล้วไม่ได้ไปทํำบาปก็ยังไม่ตกนรก ที่นอนนอนเลยไม่ตกนรกสติปัญญาไม่เท่ากันเกิดจากบุญอดีตชาติไหมครับก็จากการฝึกฝนอบรมมาในแต่ละภพแต่ละชาติ อ, อบคนฝึกฝนอบรมให้คิดทำปัญญามากก็จะมีปัญญามากคิดด้วยตรรกะคิดด้วยเหตุด้วยผลกือปัญญา ต้องทำงานอยู่ไกลพ่อแม่ไม่ค่อยได้กลับบ้านดูแลบำรุงพ่อแม่ด้วยเงินทองส่งของกินของใช้ให้อย่างเดียวถูกต้องและได้บุญไหมครับได้ทำทัศน์ที่เราทำได้ก็ล้กันทำมากทำน้อยก็อยู่ที่ความกระตันย์ูของเราถ้ามีความกระตันอยู่มากก็จะทำมากถ้ามีความกระตันอยู่น้อยก็จะทำน้อย สวดอิติปิโสบทเดียววนไปวนมาหลายๆรอบหลายๆจบแล้วอธิษฐานสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งนั้นจะสำเร็จกับผู้ที่สวดมนต์ไหมครับไม่หรอกการสวดมนต์ก็จะได้สติเท่านั้นเองได้ความสงบในระดับหนึ่ง <c oughs> แต่ขอหน้ย ข, ขอให้ร่ำให้รวยขอให้ถกควยนี่เป็นไปไม่ได้หรอก ขอน้อมกราบสอบถามครับครั้งหนึ่งเคยเจอพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกว่าให้หนูปฏิบัตินั่นหมายถึงอย่างไรครับก็หมายถึงอย่างนั้นให้ปฏิบัติเพราะการปฏิบัติธรรมให้เกิดผลขึ้นมาจะได้บรรลุเป็นพระโสาดาบันไดพ่อแม่ทิ้งลูกหรือลูกทิ้งพ่อแม่ใครจะบาปมากกว่ากันครับหรือเป็นเพราะเวทกรรมครับไม่รู้เหมือนกัน เวลาใส่บาตรเห็นคนใส่เงินใส่บาตรพระถือว่าผิดไหมครับคนใส่ไม่ผิดนะแต่ภาพผิดแต่น้งที่พระท่านก็ต้องรับผลมตามตามความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นถ้าตาัดใดท่านไม่เอาเงินนั้นไปใช้กรามาของท่านเองก็ยังก็ยังไม่เสียไม่เสียหลักของของการรับเงินรับทองแลักของการรับเงินรับทองก็คือไม่ให้เก็บเงินไว้ไม่ใหแอาไปใช้เองให้ฝาก คนที่ไว้ใจเวลาต้องการจะซื้ออะไรก็ให้คนที่ไว้ใจนี่ไปซื้อให้แต่เวลารับนี่บางถ้าจะใรับแบบให้มันแบบตรงเป๊ะอะไรก็ต้องรับไม่ได้ให้เขาให้กับคนที่เป็นลูกศิษย์แต่คนทสมัยนี้บางทีก็คิดว่าไม่ได้บุญไงเวลาเอาเงินให้กับลูกศิษย์นี้รู้สึกใจไม่ไม่ได้บุญแต่ถ้าให้กับพระรับทน้อยเนี่ยก็เขาได้บุญขึ้นมาทันทีก็เลยต้องการรวบรวมทางรู้สึกไป ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นสาเหตุที่ควรจะทําทแต่บางทีมันก็ทําไปเพราะมันเป็นเรื่องของของปัจจุบันที่มันเป็นอย่างนี้แต่ประเด็นสํำคัญอยู่ที่การเอาไปใช้ใช้อย่างไรใช้ด้วยใช้เพื่อใช้เพื่อทำนุมถ้าเป็นสมณะบริโภคไดก็ใช้ดีแต่ถ้าเอาไปใช้เพื่อส่งเสริมกิเลสก็ไม่ควรเอาไปใช้ มีคนคอมเมนต์บอกว่าเคยใส่เงินพระพอไม่รู้ครับท่านก็มีท่าทางตกใจแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอาจารย์การบริการพุทโธกับสัมมาอรหังเหมือนกันไหมครับเหมือนกันใช้ทนกันได้ใช้ธรรมโงก็ได้สังโฆก็ได้ใช้ความตายก็ได้ตายตายตายวาวนานนสติก็ได้เป็นการผูกใจไนมะ่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรงนี้เท่านั้นเอง ขอคําแนะนําของถวายสังฆทานสําหรับพระสงฆ์ที่ต้องใช้ครับเวลาไปถวายที่วัดครับอย่าไปซื้อของที่เขาจัดไว้เพราะของที่เขาจัดไว้มันก็เป็นของแบบบางทีไม่จะไ ม, ไม่ไม่ต้องใช้อะของมันซ้ำๆกันซื้อของที่ต้องใช้ประจำกันดีกว่าเช่นยาซีฟันแปรงสีฟันแชมพูผงซักฟอกอันนองนี่เป็นของที่ท่านเราใช้เป็นประจํำ ของที่โยมเป็นที่ญาติโยมใช้ส่วนใหญ่พาก็ต้องใช้เหมือนกันนอกจากสุราเท่านั้นที <c oughs> <c oughs> ่ไม่ท่าญาติเป็นคนชอบนั่งสมาธิเป็นประจําค่ะเขาเห็นคนใส่ชุดขาวมารับคุณแม่ของโยมที่เพิ่งเสียชีวิตไปอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรครับก็มาเข้าว่าอย่างนั้นนะก็ เ, เห็นอย่างนั้นเขาเขาก็เห็นอย่างนั้นเราจะไปว่า้ยังไงถ้าจิงไม่จรีนก็อีกเรื่องหนึ่ง จะนอนสมาธิได้ไหมครับมันจะหลับนะมันจะไม่ได้สมาธิคุณแม่เพิ่งจากไปนําเงินส่วนหนึ่งของคุณแม่ไปบริจาคสร้างโรงเรียนสอนพระพิธรรมคุณแม่ได้บุญไหมครับไม่ได้แนละ้วนอกจากถ้าท่านให้เราตอนที่เราตายท่านก็ได้บุญนะแต่ตอนที่ท่านตายไปแล้วเงินทองทั้งหมดที่ท่านมีอยู่นี้ท่านเอาไปทําประโยชน์ไม่ได้ คนเราไปทําก็แม่ก็ไม่ได้รับประโยชน์นะไม่ได้รับบุญ้วถ้าลูกเขาไปทําลูกก็เป็นคนจะได้บุญแทนแม่แต่ก็สามารถอุทิศบุญส่วนหนึ่ให้กับแม่ได้ในการที่จะเริ่มฝึกปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อตัดกิเลสควรเริ่มอย่างไรครับเราเริ่มพันารักษาศีลก่อน สินห้าไปก่อนถ้าเราไม่เคยรักษาสินอะไรก็ลองรักษาสินห้าอาทิตย์ละหนึ่งวันก่อนก็ได้วันพระนี้จะรักษาสินห้าให้ครบถ้วนบริบูรณ์ชราไม่เดืมไม่พูดโกหกมาทั้งสิ้นเมื่อเราทำได้หนึ่งวันแล้วต่อไปแล้วก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันไปจนกว่าเราสามารถรักษาได้ทั้งเจ็ดวันนี่เมื่อเรารักษาเจ็ดวันได้แล้วต่อไปแล้วก็มาเพิ่มเป็นสินแปดวันพระแล้วก็มารักษาสินแปดทั้งหนึ่งวันก่อน พอรักษาได้ก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันไปเร่นยๆอย่างถ้าเราสามารถรักษาได้ทุกวันนี่คือระดับศีลก็ต้องค่อยๆเพิ่มไปตามความแรงของเราเนื่องว่าถ้าเราสามารถรักษาศีลแปดได้เลยปุ๊บก็ทําไปเลยทํำตลอดชีวิตเลยได้ก็ทําไปเลยรักษาได้มากน้อยเท่าไหร่เป็นมีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจมากเท่านั้นนั่งสมาธิห้านาทีแล้วหลับครับต้องทําอย่างไรครับ ก็แสดงว่ า, ส, ญญาสติเรามีน้อยต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาให้มากก่อนต้องพยายามฝึกสติทั้งวันใช้กรรมบริกรรมพูดทัวพูดทัวไปทั้งวันให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วต่อไปเราจะมีสติมากขึ้นช่วงที่จิตฟุ้งกังวลเรื่องหนี้ศินเราจะทําจิตยังไงให้นิ่งและปฏิบัติได้ครับก็ใช้กรรมบริกรรมพูดทัวเนี่ อย่าไปคิดถึงนี่สิยคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปสู้กับความคิดที่อยากจะไปคิดถึงเรื่องนิสัต่างๆจิตคิดพุดโทโธอัตโนมัติควรทำอย่างไรครับบางครั้งก็นึกเองครับก็ดีแต่ว่าจะนึกแบบไหนนึกแบบใจลอยหรือนึกแบบตั้งมั่นต้องนึกแบบตั้งมั่นไม่ให้ไปคิดเร่ง น, น, นั้นเงนี้หน่อยให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียว แล้วทาให้จิตว่างจิตเย็นจิตสบายสี่ห้าถ้ารักษาได้ไม่ครบจะภาวนาได้ไหมครับได้แต่จะไม่ได้ค่อยได้ผลเพราะว่าการที่เราไม่รักษาศีลห้าให้ครบเนี่ยมันจะทําให้เรามีคู่กรณีเราจะต้องไปขึ้นศาลขึ้นมีปัญหากับคนนั้นคนนี้ก็จะทําให้เราไม่มีเวลามานั่งสมาธิ การนั่งสมาธินี่มันอยู่ที่สติเป็นหลัก่ากว่าอยู่ที่สีถ้าเรามีเวลา ม, มานั่งได้แสดงว่าเรามีสีนั้นเราไม่มีการณีเมื่อเราไม่มีปัญหาอะไรกับใครไม่มีอะไรมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราที่เกิดจากการทาบาปนี่ก็อยู่ที่ว่าเรามีสติพอที่จะทำใจให้สงบหรือไม่ ทุกเดือนจะแบ่งเงินเดือนจากบำนาญให้พี่ๆน้องๆได้นำไปใช้จ่ายได้บุญตลอดเวลาไหมครับได้็นการทำบุญทำทานฝันเห็นญาติที่เสียไปแล้วตั้งๆที่ไม่ได้นึกถึงเขาคืออะไรครับก็คืออย่างก็คือความฝันรักษาศีลแปดอยู่ที่บ้านได้ไหมครับ ได้ศีลไม่อยู่ที่สถานที่อยู่ที่ใจของเราเรักษาได้ทุกแห่งทุกคนอยู่ในป่าก็รักษาได้อยู่ในวัดก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้เพียงแต่ว่าความยากง่ายมันจะต่างกันรักษาที่บ้านมันอาจจะยากเพราะมีอของมาคอยั่ว ย, ยวนใจเราเยอะกว่าไปอยู่ที่วัดแล้วไปอยู่ในป่า ทำไมเวลาเราอยากทำความดีถึงต้องมีเหตุให้เราไม่สามารถไปทำได้เป็นเพราะเจ้ากรรมในเวรมาขวางเราใช่ไหมครับมันก็เป็นปกติบางทีเราจะทำความเชื่อมันก็มีเหตุมาขวางเราได้เหมือนกันมันเกิดขึ้นได้ทั้งการทำความดีและทำความเชื่อและการจะทำอะไรต่างๆวันที่เราคิดอยากจะไปดูนั้นนี่ก็อาจจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาขัดขวางเราให้ไม่ให้ไปทำก็ได้มันเป็นรื่องปกติธรรมดาของโลก ม, มีอะไรทแทนแน่นอนวันนี้ตั้งใจจะไปเป็นที่นู่นอาจจะมีเหตุการณ์อย่างอื่นเกิดขึ้นมาทำให้ไม่สามารถไปก็ได้นั่เถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่าไปคิดว่าพอทำความดีปั๊บมีปัญหาทําไม่ได้ทันทีดูข่าวดังช่วงนี้เรื่องการขอขอมาแก้กรรมมีจริงไหมครับขอปัญญาครับ แก้กรรมไม่ได้แต่ขอโทษทำนักผิดได้ดแสดงว่าเราเห็นโทษเหนการกระทําของเราที่ไม่ดีแล้วเรามาสเสนอผิดแล้วขอแสดงความเสียใจต่อการกระทําผิดจแก่ผู้ที่เราไปกระทําอันนี้ทําไดแ้แต่การที่เราทํามันก็ยังมีอยู่เรายังต้องชดใช้อยู่ต่อไปทําไมเราต้องทําความรู้สึกตัวครับแล้วเราจะได้อะไรครับ คือการรู้สึกตัวการมีสติควบคุมการกระทําของเรานั่นเองถ้าเรามีความ ร, รู้สึกตัวเราทําบาปแล้วก็เราไปทําบาปแล้วก็ยับยั้งไม่ได้ใช่นนคนเมาเราไปขับรถนี้คํำว่าเราไปชวยคนตายเพราะไม่มีความไม่มีความไม่มีสติแล้วเล่กรู้อยู่กับการกระทําต่างๆการมีสตินี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราจะสามารถทําให้การกระทําของเรานเป็นไปในทิศ ท, ทางทีีด่ดที่ดีได้ ถ้าไม่มีสติเราบังใช้อะไทำเลยไปในทิศทางที่ไม่ดีที่จะจะทให้เกิดโทษเกิดปัญหาตามมาคิดถึงแต่วัวดถ้าตายจะเกิดเป็นอะไรครับไม่รู้เหมือนกันนะคุณยายจากไปแล้วมาเข้าฝันน้องชายแต่ไม่มาเข้าฝันหนูทั้งที่หนูอยู่ใกล้คุณยายมากกว่าเพราะอะไรครับ เพราะว่าบางทีคุณยาณนมันด้มาเข้าฝันเนี่ยเป็นความคิดของของแต่ละบุคคลการเกิดเป็นคนในแต่ละประเทศเกิดจากอะไรครับานะการได้มาพบเจอกันเกิดจากทาบุญกรรมมาร่วมกันจริงไหมครับ ก็มีสวยบางทีก็มีมีกรรมบางก็มีเมื่อไม่มีกรรมเนก็มีมันมีได้หลายหลายหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันพ่อแม่ที่ไม่ได้รับผิดชอบไม่เลี้ยงดูลูกลูกต้องกระตันอยู่กับพ่อแม่ไหมครับก็ควรนะเพราะอย่างนั้นท่านก็ยังให้ชีวิตเราอยู่ถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้แค่นี้ก็มีบุญคุณมากแล้ว อยพระพุทธเจ้าเนี่ยพอพระพุทธมารดาคอพระพุทธเจ้ามาเจ้าชายศิธฐาถามาได้เจ็ดวันได้ก็เสด็จสอนนะคนไม่ได้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าแต่พระพุเจ้าก็ถือว่ามีพระคุณมากพอท่านตัดสรตวท่านก็จะพยายามหาพุทธมารดาว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนพอพกปะก็จะใช้โอกาสสั่งสอนทําให้ท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมา ยังถึงแม้ไม่ได้เรียงดูลูมแต่การให้กำหนิดนี่ก็มีพระคุณอย่างมหาศาลนะการไม่สร้างพบชาติต่อกันต้องทำอย่างไรครับก็ต่างฝ่ายต่างอยู่กันไปไอย่ามีเรื่องกันโดนโกงเกือบหนึ่งล้านตอนนั้นแค้นใจมากคดีสิ้นสุดมาสองปีแล้ว พอเฟสแจ้งครบปีแค้นก็ยังมีอยู่ครับจะต้องทำอย่างไรดีครับก็เลยมันเสียเถอะอย่าไปคิดถึงมันมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตแล้วลูกเป็นเด็กดือ้อเป็นเพราะกรรมของลูกหรือกรรมของแม่ครับเป็นนิสัยของลูกคนบางคนก็มีนิสัยว่านอนสอนง่ายบางคนก็เป็นนิสัยด้วยร้วยนั้นมันนี่เป็นเรื่องของนิสัยของแต่ละคน นั่งภาวนาจิตยังไม่ลงรวมเป็นสมาธิแต่ชอบนั่งพิจารณาเห็นคนที่เราชื่นชมอดีตเคยสวยเคยสวยตอนนี้แก่แล้วไม่มีความสวยเลยเห็นแล้วโปรงสังเวชเห็นตายรักแบบนี้ถือว่าเป็นการทำวิปัสสนาไหมครับเป็นเหมือนกันแต่ยังยังไม่ยังไม่ถึงขั้นที่ได้ผลผลที่เราต้องการก็คือดูร่างกายาของเราเป็นหลักให้เรายอมรับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเราให้ได้ ร่างกายของคนอื่นไม่สาคัญเท่ากับร่างกายของเราปฏิบัติธรรมจะต้องไปตามสถานที่ที่จัดไว้หรือไม่ครับก็สถานที่เขาจัดไว้ก็เป็นที่ที่เหมาะสมของการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราหาที่ที่เหมาะสมได้โดยที่ไม่ต้องไปสถานที่แบบนั้นก็ได้เหมือนกัน นั่งสมาธิแล้วมักจะสงบได้ด้วยการเพ่งจิตกับแสงขาวที่เห็นซึ่งเมื่อเห็นแล้วก็แค่รู้และปล่อยวางเพื่อให้จิตได้ไปต่อนั่งสมาธิแบบนี้ได้ไหมครับถ้าจิตสงบจริงๆก็ได้การปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมครับต้องไม่กรรมเกิดแตนนะ่ต้องไป น, นิพพาน หากเคยทําผิดศีลข้อสามแบบไม่ได้คิดจะแย่งคนรักสุดท้ายออกมาจากวงจรนั้นด้วยความพยายามจะบาปตามไปชาติหน้าไหมครับคือการที่เราทําให้มันจะตามไปชาตินี้ก็ชาติน่าสุดแท้แต่มันเราไม่รู้เวลาที่มันจะตามมาเมื่อไหร่แต่มันจะต้องมาแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว าถามเดินถาาพระอาจารย์ครับหากเป็นค า, ารวาสมีความสนใจในการเรียนบาลีแต่เวลาเรียนรู้สึกว่าเอ๊หรือเราเอาเวลาไปฝึกนั่งสมาธิแทนจะดีกว่าครับก็แล้วแต่เราเป็นโรคปรแหลาลเราจะเป็นศึกษาวิธีรักษาโรคปรแห ล, ลดีหรือว่าเราไปหาหมอรักษาโรคประหลงอันไหนจะดีกว่ากันก็ เ, เรียกเ่าการนั่งสมาธิเข้าไปเพื่อไปกำจัดความทุกข์ใจของเรา การไปศึกษาบา้างเลก็เป็นกศึกษาหนึ่งลูกวิธีการคำจัดทุกของเราว่าคําจัดอย่างไรมันก็เป็นสองขั้นขั้นหนึ่งก็ของการศึกษาวิธีการขั้นที่สองก็เป็นการดําเนินการเลยครับการเรียนถามครับคําว่าธาตุรู้หรือผู้รู้หรือใจคือความหมายเดียวกันไหมครับใช่ใจเป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้ผู้คิด จะลดการใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นถือเป็นการลดกิเลสไหมครับนนจุดติจิตและปฏิสนธิจิตเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับรู้สึกว่าอันหนึ่งไปเกิดอันหนึ่งไปเวลาจะตายก็เลย อ, อย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างนึงเวลาไปเกิดยัะไม่ได้ทั้งอย่างนี้ จุดตินี้ต่นตายไมย่จุดติจิตจุดติแล้วปสัสจุบนที่ตอนที่ไปเกิดทำสมาธิเดินจงกรมจิตเผลอเพ่งเผลอฟุ้งตลอดไม่งั้นก็ง่วงพยายามทำทุกทางแล้วไม่หายแก้ไขยอย่างไรได้บ้างครับไม่ต้องทำบ่อยๆ ลูกโตแล้วไม่เคยให้เงินพ่อแม่มีแต่ขอพ่อแม่จะบาปไหมครับแส้นว่าเรายังยังไม่มีโอกาสได้ทำบุญกับพ่อแม่ยังไ่รบกวนพ่อแม่อยู่พระเขกบาลให้ได้ัะพรไหมครับไม่ได้ เวลานั่งสมาธินานจะรู้สึกว่าขาเป็นเน็บมากๆหรือรู้สึกเจ็บปวดที่ขาเราควรนั่งต่อหรือว่าควรหยุดก่อนแล้วรอให้หายแล้วค่อยนั่งสมาธิต่อครับถ้าแต่เราถ้าเราอยากจะผ่านความเจ็บปวดเราก็นั่งต่อไปนั่นบงบรรยากาศใจเราไม่รู้สึกเจ็บปวดกับข้างาเจ็บปวดของร่างกายอยู่กับความเจ็บปวดได้เราก็จะถือว่าเราสำเร็จขั้นหนึ่งถ้าเราไม่นั่งต่อไปเราก็จะติดอยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่เวลานั่งเรามาเจอความเจ็บเราก็จะเลิก ปะไปไมถึงหคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับการเริ่มทำสมาธิควรต้องทำอย่างไรครับทำสติก่อนฝึกสติก่อนพยายามฝึกสติให้บริกรรมพุโทโธยุบไปทั้งวันให้มีสติอยู่พุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเวลามานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่าย ขอกาศครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซหกร้อยเจ็ดสิบสี่ท่านในยูห้าร้อยเก้าสิบเก้าในคลับเจ็ดในติ๊กต็อกหกร้อยสี่ครับรวมหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสี่คนนะครับพระอาจารย์ครับมันนี่ยจะเป็นเนวอายก็ได้นะแปดครับก็ใ <laughs> <c oughs> <c oughs> นใีที่ทุกคนมีคนเข้ามาสนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์และช่วยไปบรรเทาควาทุกข์ต่างๆให้หมดสิ่งไปได้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 ครับขอบพระคุณพาอาจารย์ครับ